ทำมาแล้วสบดีจ้าได้ยินไหมครับได้ยินครับประจันสบายดีครับโอเคเสียงใช้ได้ภาพใช้ได้นะครับเสียงจะได้ภาพใช้ได้ครับวันนี้ไม่มีสามจุดฮ่ <laughs> <ว>าคุณล้าสบายดีนะสบายดีจ้ะอคอยจับขโมูนะ <laughs> คอยจับ เป็รูปตอนนี้เข้าเท่าไหรเท่าเท่าเท่าเทนาเท่าเท่าเทออกไปแล้วฮะเดี๋ะะเท่าเท่เท่าเทนาะเท่าเท่าเท่าเท่เท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท้ อ, อ, อเท่าเท่าเท่าเท่าเทนาทเ ตอนนี้เฟซบุ๊กทั้งหมด156แล้วครับม่มีใครเข้ามาเลยนะมีแต่คนชอบดอูนะไม่ชอบเข้ามีเข้ามาหา้าห้าเพิ่มสองาประจำหมอมะเาาบียวขาประจำใครเป็นคนที่ห้าเนาะคนที่ห้าเข้ามาไม่ถึงเนย นมามัสการค่ะพระอาจารย์น้ามาพระคือไม่เชิลาวันลวันพัฒากรไม่เข้ามาเลย ม, มาสงสัยไม่แน่ใจเลยออดีอพัฒากรไม่ได้เข้ามา ออดดีออดดีจับพัทยาเข้ามาแนละ้วนะเกืออดดี้คุณออดดีเปิดเปิดไมโครโฟนได้เลยถ้าอยากจะพูดไมโครโฟนก่อนนะอไมครโฟนอันนิ้วไมโครโฟนอันนิ่ไมโครโฟนก่อนสีแดงค่ะ กลับมามาตรการกับอาจารย์ไปดีเลยเห็นเมื okay, ่อตอนช่วงช่วงเย็นเซตติ้งอะไรกันเหรอคะโปรแกรมยังไม่เรียบร้อยอะคะกขาจะทดลองส่งไปที่ Youtube ด้วยแต่ยังไปไม่ได้อ๋อค่ะทดลอาอยู่ตอนนี้มีมีโปรแกรมเมอร์มีแอดมินทีมแอดมินกำลังทดเราอยู่ือว่าไปได้ปะ ได้ก็บบจะได้คนที่อยู่ทางทางที่คนที่ไม่มีเฟซบุ๊กแต่มียู u ูบเขาก็จะได้ดูได้ค่ะดีค่ะของหนูนี้ลิงก์งมาจากของเฟซถ้ามันเข้ามาที่เฟซก็จะลิงก์เข้าซูมได้เนี่ยค่ะของหนูนี้มันมันเดินขึ้นมาที่เครื่องหนูใช่ไหยใช่ค่ะมันเดินแบบไหนเป็นเสียงหรือเป็นภาพหรือว่าเป็นเป็นขึ้นมาเลยค่ะขึ้นเป็นเด้งมาเป็นหน้าเพจของผ้าจ่าเลยค่ะ อ่าท่าท่า น, น, านี่ไม่ได้เปิดเพจอยู่มันก็เด้เปิดปขึ้นให้เราเองไงเพราะเพราะหนูกดไลฟ์ประจําอ่าหนูเป็นเอฟซหรือก็พอถ้าเรากดไลฟ์ประจําหรือดูประจําอะไรอย่างเงี้ยมันจะเด้งขึ้นให้เราอัตโนมนัติเลยอ่านท่านที่เราไม่ได้เปิดหน้าเพจมันก็มันก็จะขึ้นมาเองใช่ค่ะ <eer? S 2> ไม่ได้เปิดหน้าเพจจะขึ้<ใ>นอัตโน ม, นมัติเราอยู่ยอยู่มันก็โผล่ขึ้นมาเลยเลยด้งขึ้นมาเลยใช่ค่ะคื้นถอคื อ, ถ, อ, ถ, อถ้าเราสมมติกาลังเข้าเฟซอย่างเงี้ย อย่างของพ้าจานเปิดปุ๊บเนี่ยขึ้นมาเลยเนี่ยหนูเห็นเลยขึ้นมาทันทีเลยอ่าท่านหนูไม่ได้เปิดเฟซนี่มันขึ้นไหมไม่ขึ้นใช่ไมไม่ขึ้นค่ะอแล้วมันคือถ้าหนูถ้าไปดูอินสตาแกรมหรือกําลังไปดู y o u ูทูบอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นแต่ถ้ากลับเข้ามาที่เฟซเนี่ยมันจะขึ้นมาก่อนอาจจะโน้มนติเลยค่ะอ่าแล้วถ้าไม่เข้ามาเฟซก็จะไม่รู้ว่ามีถ่ายทอดสดใช่ไหมใช่ค่ะถ้าไม่เข้าเฟซจะไม่รู้ค่ะอ่าคิดว่ามันจะเตือนในเครื่องเหมือนกับอ่า อ๋ อ, อ, อหนูไม่ได้อะไรที่เข้าด้วยอะไรต้องกดกระดิ่งสับกดสไคล์อะไรแต่แบบยูทูบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่หนูกดไลค์ของเพจของผ้าจานอยู่อะคะออ่ะโอเคโอเควันนี้มีอะไรจะพูดไหมมีคนเริ่มเข้ามาหลายคนแล้วไม่มีค่ะหนูเข้ามาฟังค่ะโอเคฟังไว้เรื่อยๆนะเดี๋ยวจะให้คนอื่นเข้าลองพูดแต่แค่ะค่ะนักการค่ะคุณกล้องรักคุณต้องรักอย่นครพนมใช่ไหม อ่าเปิดอันนีตัวอสีแดงให้มันเป็นสีขาวเสียงยังไม่มายังไม่ได้เปิดไมโครโฟนอ่ามาแล้วเปิดหน้าพูดได้แล้วอ๋อครับครับกัปตัสดีท่านผอาจย์ครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วอ๋อครับใช่ไห ม, มใช่ครับโอเคมีอะไรจะพูดไหมวันนี้ครับก็ เอาถามเรื่องการปฏิบัติครับก็คือว่าคือการภาวนานี้ก็คือการพยายามที่เราไม่คิดใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็อยู่กับความรู้ใช่ไหมครับเมื่อต้นก็หยุดความคิดก่อนให้ใจสงบจะได้มีความสุขแล้วก็จะได้ใช้ปัญญาต่อไปได้เมื่อต้นนี้ต้องฝึกสติเพื่อให้หยุดความคิดให้จิตเข้าสู่ความสงบให้ได้ก่อนครับ แล้วพอสงดแล้วจิตจะมีโอเบกขาใจจะเย็นใจจะไม่มีอารมณ์วุ่นว่ายแล้วขั้นต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาก็ไปทางปัญญาพิจารณาตายลับว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเมื่อเราจะได้ไม่ไปยึดไปติดเราต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาพมันไม่เที่ยงก็ต้องให้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของ เ, อเราก็ไป เจ็บไว้เป็นของเราไม่ได้เวลามันจะไปก็ให้มันไปเราจะได้ไม่ทุกข์เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมคือคือตอนนี้คือพยายามทำสมาธิแต่ว่ามันยังไม่ถึงสภาวะที่พระอาจารย์บอกนะครับคือมีความสุขแต่ว่าตอนนี้ใช้ว่าเวลามีปัญหาขึ้นมาก็พยายามพิจารณาปล่อยวางมันเลยครับพระอาจารย์ คือก็ได้ถ้าปล่อยได้ก็ใช่ได้แต่มันจะปล่อยบางอย่างมันจะปล่อยยากบางอย่างมันปล่อยง่ายครับที่เราลากเราหวงมากมันก็จะปล่อยยากเช่นร่างกายของเราเนี่ยปล่อยยากใช่อหมครับต า, ายยังพอปล่อยได้พอยอมได้แต่พอมาใกล้ตัวแล้วมันจะยากขึ้นยากขึ้นถ้าไม่มีสมาธิกำลังมันจะไม่พอที่จะปล่อย อืครับโอเคนะมีอะไรไหมมีอะไรอีกไอ๋อเท่านี้ก่อนครับพระอาจารย์ครับคุณจีบต่ออะไรคุณจีบซีจีบซีเปิดไมคร้โฟนก่อนก า, การมัสการค่ะพระอาจารย์จัดมาได้แล้วเนอะวันนี้ยม ยมคือเดินนะคะยมจะขอถามค่ะเมื่อเช้ายมตื่นมาแล้วยมก็สวดมนต์สวดมนต์เสร็จยมก็นั่งสมาธิต่อพอนั่งสมาธิแล้วไม่รู้ว่านั่งคือตื่นมาควรจะทําอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยมานั่งสมาธิหรือเปล่าเพราะว่าพอนั่งไปเสร็จปุ๊บก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วก็จับลมหายใจจับให้จับมาท่องไปท่องมาเหมือนมันจะจะหลับหลับยังไงก็ไม่รู้อะคะ่ะพระอาจารย์แล้วพอเราพอรู้สึกว่ามันหลับแล้วก็แบบอุ้ย เราหลับหรือเปล่าก็เลยกลับมาท่องพุทโธใหม่ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้ยึกทําพุทโธไปก่อนก็ได้ถ้านั่งเฉยๆดูลมแล้วมันอาจจะหลับก็ได้คือโยมควรจะแบบว่าสวดมนต์เสร็จปุ๊บไปทำปีติวัดอะไรอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมานั่งจะดีกว่าไหมคะก็ลองดูเสร็จแล้วแต่แล้วได้ทั้งนั้นอนะ่ะได้ทนั<ค>น้นคนใหญ่ชอบมั่งจะสวดมนต์เสร็จเขาก็าจะนั่งต่อเลยดีกว่า นั่งต่อเลยแต่ถ้าสมมุติว่าโยมทําให้มันเป็นกิจวัตรคือตั้งเวลาตื่นปุ๊บแล้วลองทําบ่อยๆบ่อยๆร่างกายมันจะปรับตัวเองว่าไม่ให้หลับอย่างนี้หรือเปล่าคะ่ะคือมันไม่แน่หรอกการหลับเนี่ยมันมีหลายสาเหตุด้วยกันถ้ามันหลับแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทนก็ได้นแล้วคุณเดินจงกรมเดินจงกรมจําเป็นต้องแบบค่อยๆ ย, ยกเทา้าขึ้นลงไม่ต้อ ง, งไม่ต้องเดิน ต, ต, ตามทำทำธรรมดา แล้วกใ็ให้มีสติเข้าดูการเดินของเราไปเรื่อยๆซ้ายขวานะซ้ายขวาไปก็ได้พุโทโธพุโทโธไปก็ได้ค่ะพระอาจารย์คะอีกคำถามนะคะถ้าเวลาเราฝึกสติไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดสมาธิตามมาแล้วเวลาที่เกิดสมาธิมันจะรู้สึกจิตเบาจิตว่างแล้วอันนี้คือมันจะเป็นปัญญาตอนไห น, นะคะปัญญาต้องทำอีกตอนหนึ่งตอนที่ไม่ได้อยู่ในจิตว่าง ตอนเนี้ยตอนเนี้ยหนูก็ใช้ทำบรรยาได้เนี่ยกําลังพูดกับเราก็พิจารณาว่าเราไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ต้องจบ mm hmm. เดี๋ยวคุยกันนะเดี๋ยวก็ต้องเล่าคุยกันเป็นของชั่วคราวทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรู้เป็นของชั่วคราวคือเราก็ต้อง อ, อยู่กับปัจจุบันขณะไปไม่ว่าปัญหาชีวิตจะยังไงมันก็คือชั่วคราวทั้งหมดใช่ไหมคะอ่าทุกอย่างชั่วคราว ถ้าเราไปยึดไปติดเราจะทุกข์เวลามันไปถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเวลามันไปเราจะไม่ทุกข์ค่ะแล้วถ้าเราพยายามฝึกแบบนี้บ่อยๆเราก็จะลดการเศร้าหมองเราก็จะตัดนิวรหรือกิเลสได้ใช่ไหมคะใช่ตัดความทุกข์ต่างๆนะความอยากก็จะลดลงเพราะไม่รู้จะอยากไปทําไมได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์แล้วถ้าสมมติว่าเราตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราจะฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราก็ขอให้เรา เจริญทางโลกด้วยเพื่อจะได้นำมาปฏิบัติแล้วเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาเนาะได้และทำนีก็คือมันอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรเราต้องการเจริญทางโลกแล้วเราก็ไม่ต้องมาปฏิบัติเพราะปฏิบัติทางโลกมันคนละทางกันค่ะเพราะฉะนั้นคือเราก็ตั้งแยกไปเลยใช่ไหมคะก็คือทางาจะไปทางโลกเราไปรกิน ก็มาปฏิบัติสมาธิแล้วมันก็จะมันก็ไปคนละทางกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไม่ควรจะยึดเรื่องพวกนี้ปฏิบัติก็ปฏิบัติมีศีลให้เป็นประจำใชเราปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ไม่ต้องการความร่ารวยรวยแล้วเดี๋ยวทุกข์อีกพอมาเนี่ยใช่ทำไมรวย้วทุกข์แล้วรวยไปทําไมค่ะอใช่เจ้าค่ะ าฏิบัติเพื่อดับความทุกขโดยจนได้สำคัญตเดี๋ยวคุณสรงเอาออกไปก่อนดีกว่ารู้สึกจามค่ะเ ข, ขา้า ใ, คาาใจค่ะพระอาจารย์คายมคร์ค่ะ อ๋อของโยมจบโยมไม่มีคําถามแล้วค่ะพระอาจารย์แค่แค่จะมาถามเรื่องสมาธิว่าภาวลานั่งนั่งบางทีมันจะรู้สึกหลับๆแต่ว่าเดี๋ยวลองโยมจะลองเปลี่ยนมาเดินจงกรมอะค่ะอตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่แมรี่แลนด์เจ้าค่ะค่ะตอนเช้าใช่ไหมตอนเช้าตอนนี้ตอนเช้าค่ะตอนนี้ประมาณเก้ามงเช้าเจ้าค่ะเก้เช้าร้อนหรือหนาวเลือกกำลังสบายตอนนี้เริ่มอากาศกําลังดีนะคะประมาณ แปดสิบแปดสิบองศาฝรั่งว่าร้อนนะคะแต่ยมว่าอากาศดีดีแบบคนไทยนะแบบหน้านหนาวของคนไทยก็ประมาณ8ปดสิบเจ็ดสิบค่ะนี่ก็คือจะหมดจะหมดช่วงงือดูร้อนแล้วคะ่ะเดี๋ยวเดือนกันยาตุลาก็จะเป็นหน้าใบไม้ร่วงไปแล้วคะ่ะโอเคได้ฉันติดตามความต่อไปนะถ้าม่เลก็ว่างเลคุณสมภงอยากจะพูดอะไรพูดอะไร ถ้ไม่พูดก็เปิดใหม่มีอะไรหรือเปล่าคุณชมทอ ง, อ, งอ่าไม่มีนะไม่มีคุณวิชาคนคุณปฐมงา ร, ระอาจารย์ครับเอ่อพอดีผมไปผมมีเรื่องจะกรารเปลี่ยนพระจารครับเอ่อเมื่อสามวันทุกเสาร์ที่เลยครับไปงานคุณแม่จันดีที่วัดป่าธรรมคีรีมา ปักชองแล้วก็ภาวนาที่นั่นด้วยแล้วก็สองคืนสุดท้ายภาวนานดีมากแลก้วก็เอ่อก็เลยตัดสินใจว่าจะบวชก็คือกําหนดวันแล้วครับตอนมีพราอาจารย์พระอาจารย์โคมพิวโรเรียบร้อยแล้วครับก็คือวันที่ยี่สแปดพฤษภาแล้วตอนนี้ก็คือเคลียร์งา น, านทั้งหมดแล้วเตรียมติดเ ก, ก่าวว่าหลังรอพระวันหลังถวายพระที่รอมัน ช่วงมกราเสร็จแล้วก็จะไปอบวชเป็นพระขาวอยู่ที่วัดแต่ว่าวันอาทิตย์นี้ผมว่าผมจะไปกราบพระอาจารย์ที่หน้ากุฏิด้วยแต่ว่าพอบอกแม่เนี่ยแม่เขาไม่ค่อยเขาไม่เห็นด้วยตอนตอนบอกเขาอะครับก็มันจะเรียวงของเราไม่ใช่เรื่วงของแม่ไม่ใช่เยครับก็ก็ผมไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ตัวเอมแม่เขาจะมีความเหมือนมีความติดเศ้าหมองอะไรของเขาหรือมีทุกข์ใจอะไรเงี้ยติ ด, ต, ดติดเป็นแบบตัว แ, ตมแม่เขาเองแทนที่เขาผมบวชในแทนที่เขาจะได้เป็นกิเลสของเขาอ่ะ <สง S 2> เป็ น, น อ, นนอวิชชาของเขาโมหะของเขา<อ>ขเขาไม่เห็นคุณค่าอของการบวชว่าเป็นสิ่งที่พิเศษเขายังอยากจะ เราเราไว้เป็นคนรับใช้ยอยู่ครั้งไม่มีแล้วแล้วเขาประกาดคนรับใช้ไปเขาก็ไม่อยากให้เราไปเลยครับก็คือผมบอกว่าเอ่อแม่ไปไปอยู่ที่วัดด้วยกันเพราะว่าพระอาจารย์ท่านก็เมตตาเคยพาแม่ไปแล้วอาจารย์ท่านก็เมตตาแต่เขาก็เหมือนแบบเอออยู่ไม่ได้หรอกอยู่แล้วเขาก็เวียนหัวหนู่นนี่นั่นแล้วก็ผมก็เลยบอกว่าอยู่ที่บ้านหรือที่วัดนะถ้ามันจะเจ็บป่วยก็ เ, เหมือนกัน อยู่ที่ไหนมันก็เจ็บมันก็ป่วยมันก็เหมือนกันแต่ถ้าอยู่ที่วัดเนี่ยโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์เวลาอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะดีกว่าแล้วผมก็ตั้งใจว่าผมจะปฏิบัติเพื่อตัดภพตัดชาติไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้แบบให้ไปแบบอยู่วัดไปวนันวันครับก็ได้ละคือบีเล่เข้ามันเป็นอย่างเนี้รก็บอกแม่แล้วยอมไม่ยอมไม่ยอมรับวัดไม่ยอมรับศาสนา ยังอยากจะอยู่ทางโลกต่อไปอยู่แล้วก็อยากจะให้เราอยู่เป็นเพื่อนเขาไปด้วยกรบอกแล้วแต่แม่ตัดสินใจครับก็ครับ mm hmm. ผมแต่ผมเนะป้าหมายผมก็คือเอ่อหลังปีใหม่ก็คือคือทุกอย่างเคลียร์งานหมดแล้วผมก็จะไปอยู่ท่าขาวที่วัดเพื่อฝึกวัดปฏิบัติฝึกภาวนาฝึกบทสวดให้เข้ากับของอวัดปฏิบัติของวัดพระอาจารย์ท่าน แลวก็วันนี้เดี๋ยวผมไปที่หน้าพุทิครับอ้าได้โอเคนะโอเคคนต่อไปนะคุณหมอหมอออค่ะการมาสการค่ะพรอาจารย์สบายดีเหรอสบายดีค่ะพระอาจารา ย, นะสาย์สบายดีนะคะออยากกอดทอมอ่ะได้คะนี่เราจะถามไม่ได้ไม่ดได้จะฟังอย่างเดียวพระอาจารย์ค่ะ คำถามคือว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะมีตัวเราอยู่นะปัจจุบันนะคะแล้วอดีตหรืออนาคตข้างหน้าในภพชาติต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหมนะคะคือตัวเราเนี่ยคือตัวจิตไงตัวตัวรู้ตัวคิดตอนนี้มันอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ร่างกายนี้ตายไปตัวจิตตัวรู้ตัวคิดนี่ก็ยังอยู่ต่อไปอยู่ แล้วก็จะไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่ต่อไปมันไมีวันตายมันก็เปลี่ยนร่างกายเป็นเหมือนยราเปลี่ยนเสื้อผ้าวันนี้เราใส่ชุดสีเขียวพวกนี้เราใส่ชุดสีฟ้าอะไรนี่เราใส่ชุดสีดําร่างกายแล้วก็เป็นเหมือนเสื้อผ้ า, ท, าที่เราเปลี่ยนไปเรื่จิตใจก็เปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆแต่จิตใจก็เป็นจิตตัวเดิมความรู้สึกนึกคิดเหมือนเดิมชอบอะไรก็ยังชอบเหมือนเดิม เกียดอะไรก็ยงเกลียดเหมือนเดิมอยเข้าใจไหมการหาอาจารย์นี่เราต้องการหยุดไอตัวเนี้ยหยุดไอตัวนี้ที่จะไปคอยต่อยอยู่เรื่อยๆคอยไปมีร่างกายอยู่เรื่อยๆคอยไปมีร่างกายแล้วก็ไปทุกกับร่างกาย ต, ตอนนี้เราทุกกับร่างกายอันนี้ต้องคอยเลี้ยงดูมันต้องคอยรักษามันเดี๋วก็ต้องแก่เดี๋ยวก็ต้องเจ็บเดี๋ยวก็ต้องตาย มันต้องมาหยุดไอ้ตัวจิตตัวรู้ตัวคิดนี้ไม่ให้ไปมีอยากมีร่างกายให้ที่มันมีอยากมีร่างกายเพมันอยากจะใช้ร่างกายพาไปเที่ยวพาไปหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ท, ง ท, งที่มีอยู่ในโลกนี้นะนนต้องมาทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาแล้วจะได้หยุดไอ้ตัวรู้ตัวคิดนี้ไปไปมีร่างกายอันใหม่ เนา้อยาก่ร่า ง, งากายอันนี้ตายไปก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เหมือนที่พระพุทธเจ้าได้จะทำไว้พระพุทธเจ้าหยุดกหยุดกิเลสความอยากต่า ง, งาได้ก็เลยไม่ต้องไปมีร่า ง, งากายอันใหม่ต่อไปอโอเคท่านต่อไปนะคุณเอกอคุณเอกอ ต้องเปิดไมโครโฟนก่อนนะตอนนี้ัมโครโยแล้วคุณเปลี่ยอยู่สีดแดงอเปิดแล้วน้ำมศกาพอาจารย์ครับผมว่ามาอะไรีอะอยู่ที่ไหนนะจาไม่ได้เออผมอยู่ที่เชียงรายครับอําเภอเชียงแสนครับทาอะไรครับขอความบิณฑบาตอาจารย์คือเออผมปฏิบัติทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับมีเออผมปฏิบัติ ในช่วงสองเช้าที่ผ่านมาพระอาจารย์ตอนนั่งประมาณผมปฏิบัติเออคือถ้าปกติก็ตีสี่ครึ่งแต่ถ้าเป็นวันพระก็ตีสี่นะครับก็มีอยู่สองวันปฏิบัติไปพระอาจารย์ก็นั่งเข้าพุโทโธพุโทโธไปเสร็จแล้วจิตไปจับที่เออบทสวดพุทธคุณนะครับเสร็จ แ, แล้วผมก็เออจับที่บทสวดพุทธคุณไปอิติปิโสไปนะฮะ หลังจากนั้นมันก็เริ่มสงบแล้วก็เริ่มเย็นลงอะครับพระอาจารย์ก็อยู่ได้สองวันกออ็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าตรงนี้คือเวลาที่เราพุโทโธพุโทโธเข้าไปเสร็จแล้วจิตมันวิ่งไปจับไปที่บทสวดบทใดบทหนึ่งอย่างนี้ครับเราก็อยู่กับบทสวดบทนั้นใช่ไหมครับพระอาจารย์แล้วจนกว่ามันจะสงบเย็น ใช่ไหมครับอาจารย์ก็อันไหนก็ได้อยู่กับพุทโธไปก็ได้หรือจะไปอยู่กับบทสวดก็ได้เพื่อหยู่ความคิดพอหยุดความคิดได้จิตก็เย็นจิตก็จะสงบจิตก็จะมีความสุขครับผมครับผมได้ใช้บทตรดตรงนี้ใช้พุทโธก็ได้ครับผมตรงนี้อยู่ในแนวทางปฏิบัติอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์แนวาของการเจริญสติกับการเจริญสมาธิ ครับผมครับผมโอเคนะมีอะไรไหมอ๋อไม่มีแล้วครับพระอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงมากครับที่ให้โอกาสนะครับโอเคครับ <Okay. S 1> ผมสาธุสมทงคุณสมท ง, งอยากจะพูดอะไรไหมแล้วหลับแล้วแล้วนั่งคอหลับหลับแล้วครับแล้วก็ไปคุณคุณก้องกิตตากอนนะคุณก้องกิตตากร ได้ยินเสียงไหมคุณกล้องคุณกล้องไ ม, ไม่ได้เปิดไมค์ครั บ, บ, รบเปิดกล้องมาหลับเรียนไปที่คุณสุพัฒนาแสงอัลลามนวัตกรรมศาสตร์อาจารย์อ่าจากบอวินใช่ไหมที่ต้องผ่าขาประจรางรวมตกรรมมีอะไรไหมวันนี้ เสียงหายเลยค่ะพอดีโทรศัพท์เข้าขอไพ่ขอไพ่เจ้าค่ะอาจารย์จากบอวินค่ะวันนี้ขออนุญาตฟังมาฟังอาจารย์ตอบคำถามทรรมะเจค่ะทำด้เชยไปก่อนนะเจค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะไปคนต่อไปคุณพินสุชาลิมคุณพินสุชาเปิดไมโครโฟนก่อนนะไมครโฟนของคุณยังไม่ได้เปิดสีแดง เปิดได้ยินหรือยังเจ้าคะได้ยินแล้วได้ยินแล้วอยู่ที่ไหนมาจากที่ไหนอยู่อุราเจ้าค่ะพาจันเคยเข้ามาหรือยังไม่เคยครั้งแรกเจ้าค่ะอ๋ะถมก็อยากรบกวนถามพาจารย์เจ้าค่ะว่าปฏิบัติมาได้สักพักแล้วเจ้าค่ะพอดีว่าเคยปวดแล้วก็มีคนแนะนําว่าถ้าอยากปฏิบัติต่อเนื่องก็คือให้กลับมาทําที่บ้านเจ้าค่ะพาจารย์ ก็ฝึกมาได้สักพักหนึ่งนั่งสมาธิก็พอได้เจ้าค่ะแต่คราวนี้คืออธิษฐานเข้าพรรษาแล้วมันก็เหมือนมีแบบเพื่อนร่วมงานก็เจอเพื่อนร่วมงานที่แบบเห็นแก่ตัวอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนมีแบบบททดสอบแล้วทุกวันแล้วเราก็คือเหมือนเราเก็บด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนเพราะว่าเจ้าตัวนี่เป็ น, เ ป, นเป็นพวกโทสะจริตเจ้าค่ะพระอาจารย์คือโกรธง่ายแบบ คือเคยฟังเทศพระอาจารย์บอกว่าคือถ้าเขาถ้าเรายิ้มให้เขาเขาไม่ยิ้มให้เราก็คือต้องปล่อยเขาแต่ว่าโยมก็จะวางยากไย่งเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเหมือนจะไปโกรธเขาแบบเหมือนไปคาดหวังกับเขานี้เจ้าค่ะถูกต้องเราต้องโทษตัวเราเองดี๋ยวเราไปคาดหวังทําไมน่ะในเมื่อเราคาดแล้วเราไม่ได้ตามที่เราหวังเราก็โกรธเราก็เสียใจเราก็อย่าไปคาดเลเราต้องโทษตัวเราเองเหมือนไปคาดให้ฝนตกแดดออกนี้ พอไม่ตกเงินเราก็ทุกข์เราก็เสียใจก็อย่าไปคาดในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เอาไว้เราไม่ได้คาดเกี่ยวกับเรื่องฝนเรื่องแดดใช่ไหมฝนกับแดดเราปล่อยให้เขาตกได้ให้เขาออกได้แดดออกฝนตกได้เราก็ปล่อยให้คนอื่นเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราไม่ยินดีกับเราก็เรื่องของเขาไองทั้งที่เขาแกล้งเราอย่างนี้เหรอเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็น่ารักเขาอยากจะแกล้งเรายิ่ง ยังเป็นมานทดสอบเราอยู่ด้วยเราก็ต้องทาให้ผ่านแล้วในเส้นทางของการปฏิบัติในขณะที่ทํางานไปด้วยจะทํายังไงต่อไปดีเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือสวดมนต์เป็นปกติ แ, you know is, แต่ว่าถ้ารู้เลยว่าถ้าอารมณ์โกรธเกิดขึ้นคือเวลาอารมณ์มันอยู่ครั้างนั้นหายใจผิดปกติมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ทุกวันสองวันนี้รู้สึกทุกลมหายใจแรงแล้วก็นั่งสมาธิไม่ได้เลยเจ้าค่ะถ้าเนี่ย เมื่อต้องพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆพุทโธต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเวลาใจทุกเวลาอะไรก็ทุบพุโทโธพุโทโธไป ห, หยุดคิดอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ในการทําความดีมันมันไม่ได้ง่ายใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก็แล้วแต่ถ้าคนที่เขาเคยทําความดีแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่ยากคนที่ไม่เคยทําความดีพอต้องทําความดีมันค่ยาก คนที่ทําความดีให้ไปทําความชั่วมันก็ยากมันมีอยู่ที่ว่าเราเคยทําอะไรมามันก็จะติดเป็นนิสัยมามันก็ยังง่ายแล้ไม่ต้องการรงวัลว่ามันยากว่ามันง่ายให้รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีมันไม่ดีก็ต้องพยายามอย่าไปทํามันมันดีก็ต้องพยายามทํามันมันจะยากขนาดไหนก็ต้องทํามันเยิบเรอไปมันก็จะง่ายเอง ใ, ใจ ม, มันเพราะฉะ้นทางที่ดีที่สุดก็คือท่องพุทโธพุทโธไว้เวลาเริ่มทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็พุทโธพุทโธใส่เข้าไปเลยทั้งในระหว่างวันด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะทุกขนาน <ะ S 2> ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาไหนเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไม่สบายใจขึ้นมาก็ต้องพุทโธพุทโธไปเจ้าค่ะสนใจกับเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ยิ่งมองยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งพยายามให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ เขารู้ว่าทุกข์แล้วเราต้องหยุดกลับมาหยุดทุกข์ของเราไม่ใช่ไปพยายามอยากให้เขาทําตามใจเราเจ้าค่ะนะเจ้าค่ ะ, มะ ไ, ไ, มไม่มีเจ้าค่ะเป็นบุญมากเลยเจ้าค่ะวันนี้ที่ได้เข้ามาโอเคยินดีตอนรับถ้ามีอะไรก็เข้ามาได้เรื่อยๆนะเจ้าค่ะติดตามฟังไปเรื่อยๆก่อนก็ได้เผื่อมีคจ้าค่ถามถามต่อไปก็ทําได้เจ้าค่ะนวัตการเจ้าค่ะ คุณหมอพิลพันธ์มีอะไรอยากจะพูดไหมยังไม่เปิดมายังไม่เปิดเปิดไหมก่อนอ่าเปิดแล้วครับหลวงพ่อครับแลครับแว่าครับมีมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับขันห้าการทํางานของขันห้าของหลวงพ่อคืออ่าผมมองว่าขันห้านี่เป็นเหมือนกับตัวคอมพิวเตอร์ที่มันรับ พัดฉักเข้ามาทีนี้คำถามก็คือว่าการรับเข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าเป็นการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้เนี่ยจะทากระตุ้นให้เกิดการทำงานของขันท่าเนี่ยทั้งทั้งทั้งห้าขันไหมครับทั้งทั้งรอบหนึ่งรอบหนึ่งไซเคิลนะครับก็มันเกิดทั้งทั้งห้ามันเร็วมากมันเริ่มที่วิญญาณก่อน พอรูปมาสัมผัสกับตาเนี่ยวิญญาณก็รับรูปเข้ามาในใจทันทีวิญญาณทางตาจากักโขวิญญาณตัวรับรูปรูปพอมาถึงใจมันก็มีตัวสัญญามามาดูว่าเป็นรูปอะไรความจำเคยเห็นรูปนี้มาก่อนหรือเปล่าจําได้ไหยว่าเป็นใครอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดจําได้มันก็จะรู้ว่าเป็นรูปที่ดีหรือไม่ดีกับเรา ประสบะการณ์ในอดีตมันจะบอกเราว่ารูปนี้ดีหรือรูปนี้ไม่ดีพอเกิดความรู้ว่ามันดีไม่ดีมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาถ้าเป็นรูปที่ดีตอนนี้เคยเลี้ยงเลี้ยงข้าวเรานีพอเห็นเข้ามันก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาแล้วก็เกิดสังขารตามมาว่าจะทําไงดีถ้าดีเราก็ไปทักทายเขาไปต้อนรับเขาถ้าไม่ดีเราก็หลบเขาได้ก็หลบ ไม่ต้องเจอได้ก็ไม่ต้องเจอเนี่ยมันทํางานทันทีทังใดเพราะมันหมดพอตัวปัญหาก็คือตัวสังขารเนี่ยบางทีไปไปเพราะมันคิดแล้วมันจะคิดไปในทางความอยากถ้าดีก็อยากได้ถ้าไม่ดีก็อยากไม่ได้พออยากแล้วถ้าไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์ขึ้นมาทุกข์นี่ไม่ได้อยู่ในผลแล้วนะทุกข์นี้อยู่ในจิตแล้วอยู่ในอยู่ในใจในตัวผู้รู้อีกทีหนึ่งนี่ก็เรามาสอน สอนสังขารว่าอย่าไปอยากสอนใจว่าอย่าไปอยากดีก็เฉยเฉยไม่ดีก็เฉยเฉยนี่คือการปฏิบัติเราต้องมาแก้ตัวเนี้ยแก้ตัวสังขารที่ชอบปรุงไปตามความอยากทางการาตปัญหาอวัตปัญหาหรือเวทอวัวตปัญหาเวลาไปสัมผัสรับรูปเสียงกลิ่นรดมามันจะเกิดปัญหาความอยากขึ้นมาเพราะฉะนั้นจังหวะของที่ที่เวลาวิญญาณเนี่ยรับ รับสัมผัสเข้ามาเนี่ยครับหลวงพ่อเหมือนอย่างที่ที่ประวัติของท่านพาหิยะที่ที่ที่พระพุทธเจ้าบอกให้สัตว์แต่ว่ารู้สัตว์แต่ว่าเห็นเนี่ยคือท่านคือต่นในระดับพระรยะบุคคลระดับนั้นเนี่ยจะต้องมีสติที่ที่เร็วมากใช่ไหมครับพ่อที่เบรกเบรกตอนตอนรับเลยใช่ไหยครับมีทั้สติมีท่าอุเบกขาสติแล้วก็พอสั่งให้เฉยก็เฉยได้ไม่รู้เฉยเฉยถ้าไม่รู้อุเบกขาสั่งไงมันก็มันก็ไม่ฟัง ก็จะอยากอยากได้แลื อ, อยากไม่ได้ขึ้นมาก็คือว่าแสดงว่ามันเบรกเบรกกระบวการทางานก่อนที่จะเข้ามาในสัญญาเวทนาสังขารหรือเปล่าครับหลวงพ่อเราต้องไปทำสมาธิก่อ น, นไปสร้างอุเบกขาขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีอุเบกขามันมันจะอยากขึ้นมาถ้าไม่สีสติยังไงก็หยุดมันไม่ทันยุดมันไม่ได้อ๋อ แสยงว่ากําลังกําลังในการเหยียบเบรกคือหลวงพ่อเคยบอกถึงแม้ว่ามีสติแต่เบรกไม่อยู่แสดงว่าไ ม, ไม่ดี่ไต้องไปซ่อมเบรกก่อนไ ป, ไปเสรมเบรกใหม่พอแตะเบรกปั๊บมันก็ต้องหยุดปั๊บเลยพอสัมผัสปับ๊บพอสังขารมันจะอยากปับ๊บเราก็หยุดมันปุ๊บเลยแสียงว่าในในขั้นตอนนั้นเนี่ยมันทํางานเป็คหนึ่งรอบแล้วนะครับหลวงพ่อถูกไหมครับหมายความว่ า, วาสัญญาทั้งหมดปกตเราก็ไม่ต้องไปสนใจในมัน มันหยุ ด, ห ย, ดหยุดความอยากให้ได้ให้ให้มันเฉยให้ได้ท่านนี่เป็นตัวสาําคัญครับเวลาเกิดขึ้นมันเร็วมากเนี่ยพอใครก็ด่าพว๊บเนี่มันโกรธขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมครับก็อยากอยากจะด่ากลับทันทีเลยนะครับไปเร็วมากแต่ถ้าเราฝึกสติเรื่อยๆเนี่ยมันจะช้าลงมันคือสติแล้วจะเร็วขึ้นแล้วปฏิกิริยามันจะช้าลง อันนี้คือการใช้สันไม่ทันครับสันไม่ทันครับอย่าที่ว่าอุเบกขามีมากหรือมีน้อยเพาะบางทีออกจากสมาธิมาถ้ามีอุเบกขาน้อยเดี๋ยวมันก็หายไปได้อัน น, น, น, น, น, น, นี้อันนี้คือใช้กําลังสติกับสมาธิเป็นตัวเบรกเบรไว้ก่อนแล้วก่ไไวกอนถ้าอยากจะให้ใช้ปัญญาก็ต้องรู้ว่าทําไมเราถึงต้องไม่ตอบโต้เราก็ต้องเห็นว่าการตอบโต้คือด้วยความอยากนี่เป็นทุกข์กับใจ อันนี้เป็นปัญญาเห็นอริยสัจสีการตอบโต้ด้วยความอยากเป็นทุกข์กับใจเป็นตอบสนองกับสิ่งที่เราสำคัญรับรู้ด้วยความอยากมันจะทําให้เกิดทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้คือทุกใดทุกในาธาตุรู้แล้วอ่าทุกในทุกในอริยสัจทุกในตัวจิตตัวตัวใจตัวในธาตุตัในธาตุรู้แล้ ว, ลวไม่ใช่ในขันไม่ใช่ในขันครับครับครับก็คือ <c oughs> อยู่ ท, ที่อยู่ที่กําลังองเบกขา อยู่ในคาแล้วก็ปัญญาให้รู้ว่าให้รู้ทันว่าถ้าอยากก็นะอยากแล้วเดี๋ยวทุกข์นะอยากได้เดี๋ยวไม่ได้ก็เสียใจนะท่านลอง น, นี้หรือได้มาแล้วเดี๋ยวเกิดของมันเสียของมันไม่ดีมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือก็ทุกข์อี ก, กนะมันไม่เที่ยงต้องเห็นตายรักครับครับนี่คือทั้นปัญญาขั้นปัญญาถ้าเห็นถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ต่อไปก็จะไม่อยากได้อะไร นะงั้นการปฏิบัตินี้จริงๆมันไม่ต้องไปรู้เรื่องถ่านว่ามันทํำงานกี่รอบให้มันมีสติหยุดหยุดหยุดความคิดหยุดความอยากให้ได้ทั้นี้พอรู้ว่ามันจะพอมันทุกมันจะรู้ทันทีถ้ามีสติพอรู้ว่าทุกเขารู้ว่ามันอยากก็หยุดมันหยุดความความอยากเลยครับครับสาธุครับรครับัมชาคุณอ า, านทุทาสาธุคุณอโนุทายสิ้น วงสานนอ่าเปิดไมครโฟนก่อนจ้าอยู่ที่ไหนอ่า อ, อยู่กรุงเทพเจ้าค่ะอยู่กรุงเทพเจ้าค่ะอ่ามีอะไรจะถามไหมอยากจะถามว่าถ้าเราจะปฏิบัติในชีวิตประจําวันจริงๆนะเจ้าค่ะที่ไม่ใช่การนั่งสมาธิเป็นการทําในชีวิตประจําวันจริงๆเราควรจะต้องทํายังไงกับอริยบทต่างๆของเราเจ้าคะ ก็เราก็ต้องมีสติเพราะว่าไม่มีสติก็เหรือนคนเมาแล้วคนบ้านเราก็มีสติดูระยะแบบของเราว่าเรากำลังทำอะไรเฝ้าดูทำด้วยความระมัดระวังนี่เรมีสติยงเราก็ต้องมีความระมัดระวังเวลาเดินก็ต้องระวังเวลาพูดเวลาทำอะไรก็ต้องมีความระวังนี่เรียว่ามีสติคือเราต้องคอยเฝ้าดูการกระทาของเราอย่าทาแบบใจลอย ทำไปแล้วใจก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็ทําผิดทําถูกขึ้นมาอย่างอย่างเช่นถ้าเรากําลังพูดหรือกําลังขยับเนี่ยเรารู้ในอริยบทที่เรากําลังทําอยู่ใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องอย่างเช่นตอนนี้ให้เรารู้ว่าเรากําลังพูดอะไรอยู่<ช>ไม่ใช่บางทีพูดหรือกฟงังแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นบางทีเรากำลังพูดกันไม่รู้เรื่องอเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะอนะ คุณอ่อนกูมาแก้วบัวจากอุดรใช่ไหมเนื่อจากอยังไม่ได้กปิดใหมจ้าการนมัสการเจ้าค่ะร่วมฟังธรรมเจ้าค่ะอ่จากจา ก, ากุดรใช่ไห ม, ใ ช, ไหมใช่เจ้าค่ะเพียงเราจะถามไหมวันนี้ไม่มีเจ้าค่ะร่วมฟังธรรมเจ้าค่ะอ่างนี้ท่านต่อไปนะคุณพระดาจากสัตหีบใช่ไหมเจา้าค่ะ ชัตเจี๋ยบนะใส่บาตรเป็นประจำที่บ้านแล้วกะมาอยู่ว่าเป็นช่วงชั่ววันนี้อยู่ที่บ้าน้ค่ะอยู่ที่บ้านฮะมีอะไรถามไหมีอะไรจะถามไม่มีค่ะไม่มีะคคุณอ้อมต่อเลออคุณอ้อมเปิดไมได้อยู่ที่ไหนยังไม่ได้เปิดไม น้มกดปุ่ม u n m ิ t e ฮะกดปุ่ม u ครับทำไโอเคการน้อมสการปจาเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนจำไม่ได้ อ, อยู่อยู่อยู่อเมริกาค่ะเมืองไหนรัฐไหนรัฐอ่ามาริแลนด์ค่ะมาน่เข้ามาแล้วคราวที่แล้วใช่ใช่เจ้าค่ะขอบคุณ<ๆ>พราจารย์มากนะเจ้าดีขึ้นค่ะพระาจารย์ดีขึ้นนะโอเคดีขึ้นค่ะเอ่อ โยมจะมีคําถามวันนี้นะคะพระอาจารย์คืออก่อนนอ น, นะคะพระอาจารย์เ อ, อจมกูกจะรู้สึกตึงค่ะทีนี้โยมก็เลยบางครั้งโยมก็ก็มองก็คือรู้ว่าจมกูกมันตึงค่ะพระอาจารย์รู้ว่าจมกูกมันตึงมันก็หลับนะคะพระอาจารย์มันก็หลับฝันดีทีนี้มาคิดเอ๋ทธรรมดาในช่วงตอนนั้นเอ๋จะไปไหน บางครั้งก็ฝันดีบางครั้งก็ฝันไม่ดีโยมก็เลยลองอภาวนาพุโทโธในขณะที่จมูกเติงค่ะอาจารย์ทีนี้มันมันยิ่งภาวนาพุโทโธมันยิ่งตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงเพือาจารย์มันยิ่งเจ็บโยมก็เฮ้ยทำดีดีทําไมมันยากจางโยมก็เออลองสะก็เลยลองพระยายารย์มันก็แบบ ตื่นบ่อยครับพระอาจารย์ตื่นบ่อยแล้วก็บางครั้งมันก็จิตอยู่ในในพุทโธพระอาจารย์บางครั้งตื่นมาแล้วก็กลับเขาเรียกพยามหลับไปใหมายมันก็แบบมันตื่นบ่อยครับพระอาจารย์บางครั้งก็ตื่นมากับพุทโธโยมก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์เจ้าข่าว่าแต่แต่หาว่าควรจะปฏิบัติยังไงคือ รู้ว่าตึงแล้วก็นอนหรือว่าภาวนาพุโทโธแต่ตื่นบ่อยก็เราต้องการอะไรละ่ะมต้องการอะไรครับต้องการนอนหรือต้องการตื่นถ้าต้องการตื่นก็พุโทโธถ้าต้องการนอนก็ดูลมไปดูดก็อย่าไปสนใจแล้วพยายามให้มันอย่าไปคิดอะไรให้มันหลับเคยหลับเคยหลับอย่างไรก็ทาตามอย่างนั้น อย่าไปสนใจอาการถ้าไปอยากว่ามันยิ่งจะทําให้ไม่หลับแต่แต่แปลกนะพระอาจารย์เวลาภาวนาพุทโธถึงถึงตื่นบ่อยแต่รู้สึกว่าเรามีกําลังรู้สึกว่าเรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสดชื่นพูดแบบนี้ดีกว่าแต่ก็สงสัยเออทําไมตื่นบ่อยแต่ทําไมไม่รู้สึกเหนื่อย ก็ให้รู้ตามความเป็นจริงไปก็แล้วแันไม่ต้องไปสนใจว่าทําไมนรู้ว่ามันดีก็ไม่ดีก็พอใช่ไหมคะอาจารย์ไปคิดมากเราปวดหัวบางทีเราไม่รู้ไม่มีปัญญาพอที่จะไปคนได้ก็ไม่ต้องไปรู้มันรู้ว่ามันดีก็ไม่ดีก็พอสุขแล้วสุขแล้วไม่สุขก็พอสุขก็ทำตามไปถ้าไม่สุขก็แก้ไขอย่าไปทํามันอ๋อก็คือสุขก็ทําไม่สุขก็ไม่ต้องทํา ใ ช, <S <S ใช่ไหมคะระอาจารย์ใช่ทำแล้วมันไม่สุกก็อย่าไปทํามันถ้าทํำยังไงให้สุกก็ทํามันไปพระอาจารย์ทําไมทําไมถึงตื่นบ่อยคะพระอาจารย์บุคคลที่ตื่นบ่อยก็คือตอนนอนทําไมถึงตื่นบ่อยคะพระอาจารย์ก็ไม่แน่มันแล้วแต่คนเนี่ยบางคนก็นอน มอนไม่เฉด็จชอบตื่นไวจิตอาจจะมีกังวลมีอะไรกับเรื่องราวต่างๆอยู่ที่เดียวมันก็เลยนอนไม่หลับไม่เฉดใ ช, ใช่ไหมคะอาจารย์มันเป็นมันไม่ได้มีอะไรใช่ไหมคะจิตไม่สงบมันต้องฝึกสมาธิฝึกสติบ่อยๆให้จิตสงบแล้วมันก็จะแร่นอนหลับได้ยาว โอเคค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์เขาเรียกว่าวิตกเฉลตดอาจารย์เาเนี้กวกวิตกตเฉลตวิต ก, ต อ, อ, กอยู่เรเ่ยก็เลยนอนม่นหลับใช่ค่ะพระอาจ า, ารย์ใช่ค่ะที่สมาธิฝึกสติให้จิตสงบแล้วต่อไปมันจะได้หลับงานหลับสบายค่ะหรือ ว, วิธีในพระเจ้าบอกก็คือให้แผมให้มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง ไม่ใช่แผลไหมายถึงว่าต้องมีมีความเมตตากับคนนั่นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมีความเมตตาเนี้ยจะทําให้ใจเรานอนหลับฝันดี ม, มีความเมตตาไหมช่วยเหลือคนนั้นคนนี้บ้างไหมมีใครจานโยมเลี้ยงนกทุกวนันโยมให้อาหารนกทุกวนันจะไม่ใช่เฉพะาะ <c oughs> นกเสดแทั้งอย่าง อ, างอางื่นด้วยทั้งคน คนเร า, เราคนที่กล้าวตัวเราเนี่ยเมตตาเขาบ้างบ่าโอ้โยมเมตตาดูหน้าตาโยมโยมเป็นคนเมตตาโอเคถ้าเมตตาจริงมันต้องนอนหลับสบายมันจะต้องไม่ อ, อสุขใจโยมไม่ได้เมตตาจริงแน่แน่โยมจะต้องเอาไปกลับไปคิดอ่านะทำโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเมตตาให้เขามีความสุขแล้วเราก็มีความสุขจากการเห็นที่เขามีความสุขจากการกระทําของเรา อย่าเป<ก>็นตัวใครต้องให้อภัย<ม>เวลาใครทำํำให้เราโกรธก็ต้องให้อภัยอย่าไปร่างแค้นอย่าไปจองเวนจองกรรมนี่คือความเมตตาเข้าใจนะเข้าใจเจ้าค่ะขอบคุณมากเจ้าค่ะต่อไปคุณไอ้คุณอ้าคุณปใบอยู่ที่ไหนรายงานตัวก่อนอยู่ที่ไหน อยู่อยู่ที่กรุงเทพครับอทำง า, านอยู่<า>ที่กรุงเทพทำงานอยมมู่ทําห ม, มีอะไรจะถามีอะไรจะมีว่าถ้าอกหักอย่างเงี้ยฮะมันคุมอารมณ์ใจไม่อยู่เลยถึงแม้ว่าจะพยายามทําสมาธิสู้ก็สู้ไม่ได้ก็พยายามอย่าไปคิดถึงเขาสิยิ่งคิดมนก็ยิง่งยิ่งยิ่งทุกข์ใหญ่ออกมาท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป เวลาคิดถึงเขาว่าคิดถึงพวกพุทธเจ้าแทนท่องพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเขาพอเราไม่คิดถึงเขาเราก็ลืมแล้ ว, ลลวอาการเศร้าก็จะหายไปเนียเนียพยายามท่องพุทโธพุทโธไว้แล้วส่วนมนต์ไปก็ได้เวลามีความเศร้าเวลารู้สึกก็อย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เราเศร้า อ, อย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เรา ไม่สบายใจกับมาหาพุโทโตส่วนอินท์พิโสไปร้อยจบเดี๋ยวก็ลืมเรื่องต่างๆไปหมดนะท่านี้เหรอท่านี้ใช่ไหมท่านนี้ครับอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนผมนะฮะเขาชอบมองเห็นชอบเห็นอนาคตแล้วเขาก็จะไม่สบายใจเขาควรทำยังไงดีครับก็ แล้วแต่ว่าอนาคตนะนั้นมันสิ่งที่เราแก้ไขได้หรือเปล่าแก้ไขได้ก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องทําใจโดยไม่ใช่นั้นก็อย่าไปคิดถึงมันอย่าไปคิดถึงอนาคตคิดแล้วมันไม่สบายใจก็อย่าไปคิดถึงมันให้อยู่ในปัจจุบันครับนะหมดแล้วครับนะคุณนัดทวัด ท่านต่อไปคุณนัทวัฒน์เปิดไมค์ก่อนนะน้อมักการ์พระอาจารย์ครับผมมาฟังเฉยๆครับมาฟังเฉยๆเลยเห็นไปหาที่คุณแก้วตาต่อแก้วตาเปิดไมค์ก่อนกลับนมสัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะคือคือแก้วช่วงนี้ช่วงเจ็ดวันมานี้เออมีอาการแบบ ใจสัน่นแบบเหงากลัวขึ้นมาเองอ่ะเจ้าค่ะพยายามพยายามที่จะข่มอารมณ์หาอะไรทำแต่มันก็อยู่ดีๆมันก็กลัวขึ้นมาเองอ่ะเจ้าค่ะก็เลยคิดว่าทำปรึกษาจิตแพทย์จิตแพทย์เขาก็าบอกว่าเป็นเพราะว่าชีวิตครอบครัวตั้งแต่เด็กๆ เ, เหมือนกับว่าครอบครัวมีปัญหาเราก็เลยเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเราอยู่กับมันมาห้าสิบกว่าปีเท่าอายุเราอะ่ะ หมอเขาบอกว่าต้องทำใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวเราเราเราเราคุ้นชินกับมันเราแบบเราสลัดออกไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแกก็เลยคิดว่าแกจะทำยังไงดีมันเป็นกรรมเก่าหรือเปล่าทำให้จิตใจเราเป็นแบบนี้แบบไม่ซับจะพอมีบุญใหญ่อะไรไหมเจ้าค่ะที่ทาแล้วพอจะแบบบรรเทากรรมให้ให้เบาบางลงไปได้บ้างกบน้นมัสการะราพุโทโธนี่แหละดีที่สุด ต้องพุทธโไปเลยพุทธโชไปเวลาจ่อยความกลัวเกิความวิตกก็หยุดความคิดเสียพอหยุดความคิดแล้วความกลัวก็หายไปเนี่ยเห็นมันอยู่ที่เราไปคิดถึงมันเองแล้วก็ไปวิตกไปกลัวมันขึ้นมายังเราต้องหยุดความคิดสวดมนต์หัดสวดอิติปิโสไปวันละร้อยจบดูเลยแล้วเวลาเกิดความกลัวก็สวดอิติปิโสก็ไปเรื่อย เดี๋ยวมันก็ลืเรื่องที่ทําให้เรากลัวทํามันก็หายกลัวเนี่ยพระเจ้าบอกเวลาเกิดความกลัวเวลาเกิดความกลัวให้แล้วถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยสวดีิทธิปิโสไปเดี๋ยวความกลัวมันก็จะหายไปความกลัวเกิดจากความคิดเราเองนะสาหทุกข์เจ้าค่ะไม่ไปทําบุญเสียงมันเป็นร้อยล้านพันล้านหรอกมันก็ไม่แก้ปัญหานี่เจ้าค่ะ อยูทท่ที่ความคิดนะครับแค่มีความคิดหยุบความคิดให้ได้น้องทำดูสิบังคับตัวเองหัดท่อไว้ก่อนเดี๋ยวพอเวลาเกิดความกลัวจะได้ท่องได้ถ้าไม่ทําไว้ก่อนพอถึงเวลากลัวมันลืมปวดมันไม่รู้จะทําอะไรมันก็จะเกิดจากความอยากให้มันหายกลัวยิ่งอยากมันก็ยิ่งกลัวใหญ่ใช่เจ้าค่ะอืใช่เจ้าค่ะเั็นต้องฝึดพุทโธต้องฝึดสวดอิติปิโสไว้เตรียมตัวไว้ มันเกิดความกลัวขึ้นมาก็สวดไปเลยที่ไปสโดภกรรมวาลังสามมาสามพุทโธไปแล้วเดี๋ยวความกลัวก็จะเจ้าค่ ะ, ะเ ข, นะข้าใจนะเข้าใจเจ้าค่ะกับขอบพระพคุณเจ้าค่ะมีคนต้งยี่สิบสามคนแต่หน้าจอนี้มีแค่ยี่สิบคนอ๋อคนที่ไม่ได้เปิดเปิดกล้องใช่ไหมเปิดกล้องครับคุณสิริเพ็ญคุณยุย้ย เปิดไม้ก็ฟลอยก่อนเขี okay, ค่ะกรรมนำมสัส ก, การพระอาจารย์ค่ะมีอะไรไหมอ๋อไม่มีค่ะแต่ว่าแค่อยากแจ้งว่าพหนูไม่รู้ความคิดหนูถูกหรือเปล่าคือที่ได้คำว่าพุโทโธมาเป็นํำบริกรรมในการทำปิจวัตนประจำวันหรือนั่งสมาธิค่ะก็เลยอย่างช่วงนี้ไม่สบายคัดจมูกเนี้ยค่ะหนูก็เลยก่อนหนูใช้อนาปนานสติคือตามลมหายใจ ทีนี้พอคัดจมูกก็แบบไปใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยมันดีตรงที่ว่ามันละไอ้ตรงลมหอ้ใจออกแล้วมันเพ่งอยู่มันจดจ่ออยู่ที่พุโทโธค่ะมันก็เลยไม่ได้สนใจร่างกาย mm hmm. ก็เลยคิดว่ามันมันน่าจะดีสมมติอนาคตถ้าสมมติเราเจ็บป่วยเงี้ยค่ะสมมติเรานอนบนเตียงแล้วเราใสาค่คือออกซิเจนอะไรเงี้ยหนูก็เลยมองว่าเออพุโทโธนี่มันน่าจะเป็นหนทางที่เราจะเป็นหลัก ที่เราจะไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นโดยที่เราไม่ต้องสนใจร่างกายสังขารเราที่มันเจ็บคปวยอยู่อะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคิดถหรือเปล่าต้องถูกต้องเลยนี่แหละการใช้พุทโธนี้เพื่อดึงใจให้ออกจากกองทุกข์เราไปเราไปทุกกับร่างกายไปทุกกับความเจ็บทุกกับการหายใจไม่ออกทัดจมูกไมต่างๆแล้วเกิความอยากมันก็เลยทุกข์พอเรามาพุทโธพุทโธเราก็ลืมเรื่องมันนั้นไปความอยากก็หายไปไม่ติดเลยเราก็ไป จ่ออยู่กับพุโทโธก็เลยหนูก็เลยเอ๊ะมันคิดว่าเออถ้า ว, วันหนึ่งเราแบบโดนใส่ออกซิเจนสอดคอรหรืออะไรเราก็ไม่รู้นาคอไดค่ะเราก็มองว่าอันนี้<ร>น่าจะเป็นหนักใช่พุโทโธไปแล้วเราจะไม่ทรมานค่ะไหวให้ร่างกายมันมันก็เป็นเรื่องของร่างกายไปมันเจ็บก็เรื่องของมันค่ะเราจะไม่ทุกข์กับมันเนี่ยพุโทโธดีจะตายไปไม่หัดใช้กัน จริงๆค่ะหนูไลฟ์เลยว่ามันถ้าเบอร์ฟุดโทรก็ส่วนเอทิพิโสไปสลับไปบ้างก็ได้สวนมนต์ไปแทนก็ได้ค่ะค่ะหนูอยู่ที่ไหนเนี่ยลืมถามอ๋อหนูอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะเดี๋ยวเลยวันนี้หนูจะไปใส่บานแล้วฟังธรรมพระอาจารย์นะคะโอเคพรุ่งนี้เหรอเนี่ขอเป็นสาววันจีนะคะพอดีลูกชายที่เรียนเรืใบสัตหีกเดี๋ยวจะได้ไปพ่วงด้วยทีเดียวเลยค่ะโอเคได้ทุกคนเจอกันนะ รัศการค่ะคุณซาินทร์ไอโฟนจากซาลินเนี่ยที่มีลูกสาวน่ารักใช่ไหมได้ไหมใช่ํำผิดหรือเปล่าคนละคนตรงนี้อยู่ที่วัศการค่ะยมอย่เมกาค่ะอาจารยปนเพือนแมรี่แนด์นะคะพระอาจารย์เป็นเพื่อนกับคนแมร่แนด์เหนกันะมีสามแมรี่แลนด์มาทุกอาทิตย์เลยค่ะดีดียินดีต้อรับอาจารย์ พระอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะโมวนสบายดีสบายดียดค่ะก็ยมไม่มีอะไรมากค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ก็ยังยังคงพยายามกําหนดสมาธิอ่ากำหนดสติอยู่ให้มันมั่นคงกว่าเดิมก็ยมก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นค่ะพระอาจารย์เหมือนกับแต่ก่อนเนี่ยความฟุ้งมันเยอะแล้วก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆคราวนี้เวลาที่โยมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยพระอาจารย์เคยบอกว่า สามารถพุดโธไปด้วยแล้วก็กําหนดความว่างไปด้วยแต่ว่ามันพอมันลงอุเบกขาปุ๊บเนี่ยพุดพูดโทมันหายใช่ไหมคะพระอาจารย์<ม>แล้วก็ปล่อยถูกัหมคะพระอาจารย์ถ้ามันว่างมันไม่มันไม่มีความคิดก็หยุดพุดโธได้มันหยุดเองอะค่ะพระอาจารย์โยมไม่ได้ถ้าหยุดเองแล<ต>้วจิตว่างจิตสงบจิตมีอุเบกขาก็ใช้ได้ใช่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเมื่อยอเมื่อโยมถอนหรือว่าพอมันรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ย โยมก็จับพุโทโธทันทีเพราะว่ากลัวกลัวมันหลงกลัวไม่ยากไม่อยากให้จิตมันออกไปข้างนอกเค้านิยมอยากจะถามว่าถ้าโยมปล่อยให้มันกําหนดเองหรือว่าโยมควรจะจับพุโทโธดีคะณจังหวะนั้นนะคะ อ, อ๋อมีพุโทโธคุมไว้ก็ดีดีที่สุดถ้าเรามีพุโทโธเราจะควบคุมใจเราได้ถ้าปล่อยมนันบางทีเดี๋ยวเราควบคุมมันไม่ได้ใช่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าบางทีมัน จิตปรุงแต่งนี้มันน่ากลัวค่ะพระอาจารย์บางทีโยมนอนแล้วก็ฝันฝันถึงความความกโกรธโกรธเกรียก้ยกร่อแล้วบางทีก็ฝันถึงความกลัวเหมือนคนที่เมื่อกี้นี้คุณแก้วก็พูดขึ้นมาบางทีฝันว่ามีคนจะมาฆ่าโยมเนี่ยแล้วก็มีการปรุงแต่งขึ้นมาว่าถามมีการถามด้วยนะว่ากลัวไหมว่าคนจะมาฆ่าเรามีการถามว่ากลัวไหมแล้วโยมก็กลัว แต่ว่าพอตื่นขึ้นมาโยมก็ไม่ตกใจโยมก็กําหนดพุทโธต่อต่อไปเรื่อยๆถึงได้รู้สึกว่าเออมันเวลามันปรุงแต่งนี้มันฟุ้งไปทั่วแล้วโยมไม่สามารถกําหนดคือสติโยมยังไม่ทันยังไม่ดีพอคะ่ะพระอาจารย์ถ้าถ้าไม่มีสติก็ใช้พุทโธไป <c oughs> พุทโธเป็นตัวสร้างสติขึ้นมาให้กับเราณเวลานี้โยมก็พยายาม ดูท่าสี่ขันห้าไปเนืองๆตลอดเวลาเห็นอะไรก็พยายามมองเป็นอย่างนั้นไปนเนืองๆแล้วก็นั่งสมาธิก็กําหนดไปเรื่อยๆ อ, อันนี้คือโยมก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าตัวสติจะมีความแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่จนเราสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้แล้วเวลาที่เวลาที่โยมนั่งสมาธิมันจะมีตัวกระเพื่อมอยู่ข้างในใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วตัวกระเพื่อมตัวเนี้ถ้าโยมไปจับมันเนี่ยมันจะ เหมือนมันจะกระจายออกทั่วตัวให้โยมมีความรู้สึกว่าเห็นภายในได้อย่างละเอียดมากขึ้นอย่างเช่ น, เ, ชนเห็นเห็น ย, ยิบยับยิบยับยิบยับทั่วตัวหรือว่าเห็นการกระเพื่อมของหัวใจของชีพจรเห็นการสูบฉีดโลหิตอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์อันนี้โยมไม่ต้องไปจับมันใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ควรควร อ, อยู่กับความว่างดีกว่าแล้วก็กลับมาที่กลับมาที่ตัวสติตัวเดิมตัวที่สติให้รู้เฉย ไปตามรู้กับอะไรที่ให้ปรากฏขึ้นมาแค่เราแค่รับรู้แล้วเราก็ปล่อยมันแล้วเราก็กลับมาทางเดิมแล้วก็กําหนดที่เรากําหนดพุดโทโธได้กับพุโทโธต่อไปก็ได้พุโทโธอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพ<ช>ระอาจารย์ค่ะค่ะโยมก็ไม่มีอะไรมากค่ะเหมือนกับโยมกําลังพยายามสร้างให้ตัวพุโทโธตัวสตินี้มันมีกําลังขึ้นนะคะเป็นคามจิตเฉลี่มันจะสงบแล้วหยู่พุโทโธได้ใช่ค่ะพอาจารย์รู้สึกดีขึ้นแต่ว่าก็ยังรู้สึกไม่ดีเต็มที่อ่ะค่ะ ่็ต้องทำไปเรื่อยๆสติเรายัางมีไม่เต็มร้อยะยังไม่ถึงใช่ครับพระอาจารย์ค่ ะ, คะพระอาจารย์มีคําแนะนํำอีก ไ, ไหมคะให้โยมจะได้ฝึกตั้งใจเต็มอย่าทิ้งสติไปทำสร้างสติอยู่เรื่อยๆค่ะไม่จําเป็นก็ ย, ยังไม่ต้องคิดกนได้เอาเอาสติก่อนอถ้าเบือเบือพุโทโธอยากจะมองเมตมองพิจารณาเป็นธาตุสี่อนิจจังทุกขังหน้าตาว่างก็ได้ค่ะ เอาสติให้ให้มั่นคงก่อนนะคะเอให้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะค่ะค่ะอาจารย์เราหยุดมันได้เราลอบไปหยุดมันได้มันเป็นมามาในความฝันโยมก็กําหนดไม่ทันหรอค่ะอาจารย์นั่นเป็นเพราะว่าในความฝันไม่เป็นไรเพราะมันเป็นเป็นช่วงที่เราไม่มีสติก็ให้มันให้มันรู้ว่ามันเป็นเหมือนกับมันมาแจ้งบอกเราว่าสติเรายังไม่ทันมันใช่ค่ะนั่นนะคะ โยมก็พยายามตรงนั้นอยู่ค่ะพระอาจารย์เวลาในฝันนี่เราไปควบกลุมมันไม่ได้เราต้องการหยุดสติเพื่อนอนหลับแต่ถ้าสมมติว่าแต่ถ้าสมมติว่าโยมรู้ตัวโยมก็ควรกําหนดแล้วปล่อยไหมคะถ้ารู้ตัวแล้วยังกลัวอยู่ก็ต้องกําหนดให้มันหายกลัว <c oughs> แต่กลัวแล้วเหมือนกับหลงสติตอนนั้นก็ต้องปล่อยผ่านแล้วก็มาฝึกสติต่อใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้าฝึกสติได้เมื่อไรก็ฝึกไปถ้าฝึกไม่ได้ก็รู้เฉยๆไป ค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะที่ท่านต่อไปคุณ ร, ร่วมพรไอแทรเนี้ยยังไม่เห็นภาพหน้าเลยไม่ทราบว่าไปทุรละที่ไหนครับบ่าเห็นไปที่คุณเกศเลนก่อนนะคุณเกศเลนจากน o r t h แค r o l i n าใช่ไหมมีนกเออค่ะกา น, นกอกาวนมัตสการ์ค่ะพระอาจารย์หายไปอาทิตย์ห น, นึ่งนะอาทิตย์ที่แล้วเราจะเจอกันนะ สองอาทิตย์เจ้าค่ะพ อ, อดีว่าไปรับเจ้าค่ะรับลูกสาวกลับมาจากนิวเจอร์ซีย์ค่ะมีอะไรจะถามไหมวันนี้ก <c oughs> ออ็ไปอยู่นูน่นมีเวลาปฏิบัติแต่ว่าเหมือนกับว่า <c oughs> ชีวิตปัจจุบันเหมือนมันวุ่นวายนะเจ้าค่ะแล้วก็ลูกก็ใช้ในการภาวนาเอาได้ไหมเจ้าค่ะได้สิถ้าวุ่นวายก็ก้ภาวนาแล้วนะั ต้องหยุดความวุ่นวายด้วยสติด้วยปัญญาก็คือว่ายังดีว่าลูกยังมีโอกาสที่ว่าเวลาเดินออกกำลังกายไปลูกก็ภาวนาไปเรื่อยๆเดินไปแล้วก็เดินกลับก็แต่ว่าภาวนาพุทโธไม่ได้เจ้าค่ะได้แต่ไตสนคมจะติดอยู่ที่ไตสนคมอยู่ตลอดเวลาพอลูกพยายามภาวนาพุทโธก็จะหลุดไปที่นั่นกลับไปที่ที่เดิมนะเจ้าค่ะ ได้ใช้ไตสารคมก็ได้พูดธังสรังกชามิก็ได้ธรรมังสันกชามิก็ได้ใช้แทนกันนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะคืะคอหยุดความคิดหยุดความฟุ้งซ่านหยุดความวุ่นวายใจได้เหมือนกันเจ้าค่ะดิ่วันีว่าเรื่องเป็นเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องเข้ามามากมายก็เลยใช้ใช้คําภาวนาเอาก็คือว่าแต่ก็ระงับได้นะเจ้าค่ะเวลาภาวนา จิตมันก็ไม่ไปฟุ้งซ่านอยู่กับไอ้เรื่องที่ว่าบุ่นวายในชีวิตของเรานะเจ้าค่ะอันนี้ไม่มีคำถามอะไรนะโ อ, อไม่มีเจ้าค่ะขอมาฟังทำแล้วกันนะเจ้าค่ะนกชื่ออะไร อ, อ๋อชื่อแองเจลเจ้าค่ะแองเจิลแองเจิลสบายดีนะแองเจิลสวัสดีปะ <Angel S 2> มีคนเข้าคอมเมนว่าเห็นยอมกับ น, นกแล้วเขาเขาหัวละเขาชอบใจ <c oughs> <c oughs> อยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วเนี่ยอ๋อยอมอยู่กับเจ้านกตัวเนี้ประมาณแปดปีเจ้าค่ะแล้วก็เขาอยู่ได้ประมาณเจ็ดสิบปีเจ้าค่ะรอดีว่าเป็นนกเป็นนกของของของแฟนนะเจ้าค่ะก็อันนี้ก็ถือว่าแก่แล้วใช่ไนะ ตอนนี้อายุแค่ยี่สิบสองปีเจ้าค่ะสองปีของนกเลยยี่สิบสองปีค่ะนกตัวนี้อายุายี่สิบสองปีแล้วนะเจ้าค่ะโอ้ยธรรมดาเขามีอายุนานถึงเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เจ็ดสิบปีเจ้าค่ะเจ็ดสิบปีก็ยังอยู่ได้งานนะเจ้าค่ะแล้วปล่ อ, อลยเขาไปก่อนไว้อยเขาไปบินไปข้งงางนอกบ้างมาล่า ปล่อยค่ะคือว่าทุกวันนี้จะปล่อยเขาออกไปข้างนอกให้เขาบินเองเจ้าค่ะอ๋อแต่ก็จะกลับมาเวลากินข้าว<ะ>มาเจ้าค่ะเจ้าค่ะจะไม่จะไม่กลับขังอยู่ในกรงเพราะว่าโยงกลัววิบากกรรมที่ว่าเราไปจักขังเขาแล้วก็มาตกที่ตัวเองดีละเลี้ยงแบบนี้ดีกว่าเลี่ยงให้เขามีสรัทธาถ้าเขาอยากจ<ด>ะไปก็ปล่อยเขาไปเจ้าค่ะ เขาอยู่ลรวก็เลี้ยงเขาไปได้วยความเมตตาเจ้าค่ะ <C' n ome> แล้วเขาพูดได้ไหม <C' n ome> พูดได้เจ้าค่ะอ่พูดภาษาอังกฤษนะหรืภาษาไทยภาษาอังกฤษเจ้าค่ะเก่ยวแฟนเปชาวชาต่างต่างชาติเป็นชาวเมริกันะเจ้าค่ะก็มีเพื่อนคุยอะไรงงี้ <C' n ome> มีเพื่อนคุยแล้วก็ช่วงนี้ก็ดีหน่อยตรงที่ว่าลูกสาวกลับมาอยู่ด้วย ก็คือว่าลูกสาวจะมาเรียนต่อที่นี่เจ้าค่ะอีกคนก็ <Hi. S 2> จะไปทหาร How are you <c oughs> How are you Angel Angel. Angel Come he, here Angel he, he ยังเป็นนิสัยเด็กๆนะเจ้าค่ะถึง uh huh. ว่าเขาจะอายุเยอะแต่นิสัยเขายังเหมือนเด็กน้อย <c oughs> มีเพื่อนดีนะเพื่อเมตตาต่อกันนะ <c oughs> เขาก็ป <c oughs> เป็นเหมือนเรา ทำให้เราเราเจ้าค่ะเจาค่ะดนะสาธุเจ้าค่ ะ, อ, ะอยากจะถามยกมือแล้วก็พูดได้เลยนะว่ารู้สึกว่าหมดแล้วมันใช่ไหมคนที่อ่ายกมือคุณจิ๊บเปิดไม้พูดต่อไปได้เลยอาจารย์อีกรอบค่ะพระอาจารย์พอดีเมื่อกี้เข้ามาฟังเพื่อนเพื่อนแล้วแล้วมีคำถามขึ้นมานะคะ่ะว่าถ้าเราจะในชีวิตประจำวันถ้าเราจะเช็คได้ยังไงคะว่าเรา จเจริญสติขึ้นมามากกว่าเดิมอะคะ่ะถ้าเรายังขี้ลืมอยู่นี่แปลว่าเราไม่มีสติแล้วยังไม่มีสติใช่ไหมคะก็ส่วนหนึ่งเป็นอย่างนั้นเพราะว่า <c oughs> เวลาทําอะไรแล้วเราไม่มีสติเราเดี๋ยวเราก็จะจำไม่ได้อย่างเ<ต>ช่นวัางเอเราจ<า>ำาไม่ได้นี่คือทำแบบไม่มีสติไงไดไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็เอาทำ <c oughs> แล้วก็กลับมาดูไล้ทออําไว้ยังว่าี้เะไม่เกี่ยวสมองเราเลอะเลือนเป็นทักษะไม่เกี่ยวเกี่ยวสติเป็นตัวหลักที่เลื่มนี่ก็เพราะเวลาทําอะไรแล้วใจไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทําพอทําเสร็จแล้วก็ลืมเลยเพราะเวล า, า, ท, าทํา็รับไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้วิธีการฝึกสติก็คือพูดโทรไปเรื่อยๆแล้วก็จดจอกับสิ่งที่ทําทีละอย่างทีละอย่างใช่ไหมคะถูกต้อง <ไอ S 1> แบบนี้ปด อ, อใช้พุโทโธก็ได้ใช้การจดจ่อก็ได้เนื้อใช้ทั้งสองอย่างก็ได้ถ้ามันจําเป็นจะต้องใช้ทั้งสองอย่างแล้วถึงวันหนึ่งเนี้ยค่ะถ้าเราเดินเห่อหรือว่าเราจะทําอะไรคําว่าพุโทโธถ้าเรามีจิตสติถึงขั้นนึงแล้วคําว่าพุโทโธนี่จะอยู่กับเราไปตลอดเหมือนมันบริกรรมไปเองไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเก้าเดินทําอะไรอาบน้ําหรือว่ากินข้าวมันจะอยู่ตรงนั้นตลอดไหมคะหรือว่าเราต้องนึกถึงมันมันถึงจะอยู่ค่ะถ้ามันไม่อยู่ก็ต้องนึกถึงมัน หรือว่าถ้าจิตมันอยู่กับการทํางานของร่างกายก็ไม่ต้องเรีนถึงพุทโธก็ได้ไม่ต้องกันถ้าจิตมันอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ใช้ได้แสดงว่าเรามีสตินะอ๋อก็คือเอาจิตไปจบก็พุทโธได้สองอย่างคือการเจริญสติทําได้สองอย่างแบบนี้ใช่ไหมคะใช้พุทโธก็ได้ใช้การดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ค่ะแล้วอีก คําถามนะคะถ้าเวลาอย่างยมอ่านฟังพระอาจารย์เรื่องสอบอารมณ์อะค่ะเหมือนที่พระอาจารย์เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆทีนี้ถ้าถ้าเราไม่มีพระมาสอบอารมณ์เราแต่เราสอบอารมณ์ตัวเองยังไงได้บ้างเจ้าค่ะก็คอยสังเกต ด, ดูเวลาเราโกรธนะเวลาแสดงว่าเราสอบตกมัถ้าเราควบคมอารมณ์ไม่ได้แสดงว่าเราสอบตก ถ้าเกิดเหตุการณ์จากเจ้าคนเดิมเจ้ากรรมในเวงของเรามากวนเราแล้วเราไม่โกรธเราไม่โต้อตอบก็แปลว่าเราอารมณ์ดีขึ้นใช่ไหมคะเราอบผ่านแสดงว่าเราผ่านถ้าเราเฉยได้เราก็ผ่านถ้าเรามีอารมณ์แสดงว่าเราสอบตกถ้าเกิดมีอารมณ์นิดนึงแต่กลับดึงสติกลับมาทานันมันยังยังตกอยู่ใช่ไหมคะก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เ็นตจยังไม่ร้อยเปอร์เซ็ต้องต้องแบบไม่มีไม่มีอารมณ์เลยเจก็แล้วก็เฉย ก็จะด่าก็จะพูดอะไรก็จะทำอะไรก็เฉยก็เฉยค่ะค่ะแล้วพระอาจารย์ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าการทำทานถ้ายมอยู่ต่างประเทศแบบนี้ค่ะถ้าเราทำทานได้โดยการเหมือนเหมือนน้องอ้อมเมื่อกี้บอกว่าให้อาหารนกยมก็ให้แต่ว่านั่นคือการทำทานแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเรามันถือว่าเราไม่ได้ทำทานกับพระสงฆ์หรือพระริยาสงฆ์แบบ ที่เพราะว่าเนื่องจากว่าอยู่อยู่ในประเทศที่ไม่ไม่ได้มีเนื้อนาบุญเยอะอ่ะค่ะจะต้องทํายังไงดีเจ้าคะก็สมัยนี้เขาก็มีการติดต่อโอนเงินผ่านทางบัญชีอะไรได้ถ้าอยากจะทํากับพระรูปไหนก็ลองไปถามว่าท่านมีบัญชีหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นถึงแม้เราไม่ได้ไปทําด้วยตัวเองแต่เราส่งจิตส่งใจไปพร้อมกับปัจจัยก็ถือว่าเราได้ไดหม ดไดปก็เหมือ น, นก็เหมือนกลับไปถวายต่อหน้าเลยเพราะงั้นถเข้าไปในบัญชีท่านแล้วท่านก็เอาไปใช้ทําประโยชน์ต่อไปได้ค่ะแล้วจริงหรือเจ้าค้าที่โยมเคยฟังหลวงพ่อจารันท่านเทศว่าถ้าเราทําบุญลูกหลานเราก็จะได้ผลบุญนั้นด้วยโดยที่เราไม่ต้องแผ่เมตตาหรือเราไม่ต้องกล่าวอะไรอันนี้จริงไหมเจ้าค่ะอ๋อไม่จริงหรอกบุญใครบุญมันอทําแทนกันไม่ได้ทําแทนกันไม่ได้ใช่ไหมคะ แต่เราสามารถแผ่เมตตาให้เขาได้ทั้งที่เขายังไม่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะคือเมตตากับการอุทิศบุญมันคนละเรื่องกันนี่เราพูดถึงการอุทิศบุญแบ่งบุญใช่ไหมเราทำบุญ เ, เราอยากจะแบ่งให้เขาใช่ไหมต่างกันเหรอเจ้าคะอ่าต่างกันเมตตาก็คือมีความปรานาดีต่อเขาไม่โกรธเขาเวลาเขาทำอะไรเสียหายไม่พลาดพยาบาทนี่เรียกว่าเมตตา การแบ่งบุญเขาเรียกว่าการอุทิศบุญอุทิศบุญนี้เขาอุทิศได้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วคนที่มีอยู่นี้ก็ชวนเขาไปทําบุญแทนถ้าเขาอยากได้บุญก็ชวนเขาไปทําบุญออยอมนึกว่าการแผ่เมตตา ก, กับการอุทิศบุญเหมือนกันเหมือนเวลาเรากรวดน้ําโยมก็จะแบบให้คนที่มีชีวิตให้คนที่ไม่มีชีวิตแบบนี้ไม่จะเพาะคนตายทานั้นอุทิศบุญนี่อุทิศไปให้คน คนตายก็เจ้าค่ะคนเป็นก็ให้ขนมเขาถ้าอยากจะถ้าอยากจะแผ่เมตตาก็ซื้อขนมไปให้เขากินอย่างนี้ได้ถ้าเราอุทิตอ่าสมมติถ้าเราอุทิตให้คนตายที่ต่างศาสนาอย่างนี้เขาจะได้รับไหมได้ได้ทั้งนั้นเดมไหค ร, รับอยู่<ข>ยที่<ข>ว่าเขาเขารอรับหรือไม่เพราะว่าตายไปแล้วเราไม่รู้ว่าเขาไปไปไหนมันมีหลายที่ที่เขาไปกั น, น, นเจ้าค่ะแล้ว ถ้เขามารอรับบุญเราก็ส่งไปให้เขาเขาว่เาเขาก็จะได้รับส่วนใหญ่นี้เขาต้องมาเข้าฝันธรรมดา<ง>แล้วถ้าเขาต้องการบุญนี่ก็ต้องมาเข้าฝันแล้วค่ะถ้าไม่เข้าฝันนีก็แสดงว่าส่วนใหญ่เขาก็ไปตามตามบุญตามกรรมของเขาแล้วแล้ว ค, ะ ค, ค่ะทางธรรมเนียมเราก็ถือว่าเมื่อเราทําบุญแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะอุทิศบุญให้กับผู้ร้องรับได้แล้วเขาอุทิศไป คนเขาจะรับได้หรือไม่ได้ก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรกับเราการนั่งสมาธินี่ก็ถือเป็นบุญใช่ไหมคะที่เราอุทิศให้ได้สวดมนต์นั่งสมาธิคือบุญมันยังไม่เกิดนั่งสมาธิเหมือนปลูกต้นไม้แต่ยังไม่มียังไม่ออกดอกออกผลแม่คุณปลูกต้นไม้กว่าจะออกดอกออกผลมันต้องหลายปีใช่จหมคุณนั่งสมาธิกว่าจิตจะสงบได้มันมันลุกจิตปีค่ะ งั้นถ้าอยากจะอุทิศบุญที่สําเร็จทันทีก็บุญบุญที่แจการทําบุญทําทานเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีอ๋ออันนี้คือเป็นบุญสําเร็จทันทีเอ่าไปฟาดทูดใช่ไหมพี่จ อ, อนนอ่าเล่นอะไรของเล่นไดรฟ์ทูถึงปุ๊บปั๊บไปปุ๊บปั๊บเขาก็หยิบให้ใสายเลยเขเตรียมไว้แล้วถ้าไปนั้งท า, านอาหารนี่ก็จะเอ า, าเอาหารออกมาได้เป็นชั่วโมง สงสัยโยมต้องรอเป็นแบบของหวานเลยกว่าจะได้สมาธิอีกยาว ง, างั้อย่าอย่าหวังจะชี้อุทิศสมาธิหรือเอาศีลไปอุทิศเพราะศีลเราก็ขาดขาดเกินเกินใค่ะสมาธิเราก็ยังฟุ้งซ่างอยู่มันมันยังอุทิศไม่ได้หรอมันยังไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการให้ทานแล้วก็อุทิศไปเลยทำบุญทําทานโดยจากเงินให้กับวัดกับโรงพยาบาลโรงเรียนที่ไหนก็ได้ แล้วอุทิศก็อุทิศบุญไปได้เลยค่ะแล้วค่ะวันนี้พระอาจารย์มีอะไรจะเตือนโยมบ้างไหมคะหรือว่ายัางไงคะมีไหมก็พยายามศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆแสดงว่าเราความรู้ค่ะค้าใจยัง <ไอ S 1> น้อยมากพยายามลองสืบธรรมะบ่อยๆจะด้รู้เรื่องราวมากขึ้นเจ้วค่ะเรื่องติดตามคอยติดตามฟังอยู่เรื่อยๆก็ได้นโยมก็ติดตามนะคะแต่อาทิตฐ์ที่แล้ว พ่พาลูกไปเที่ยวก็เลยไม่ได้ติดตามคลาดไปหน่อยก็มาตามฟังย้อนหลังย้อนหลังก็ได้ทีนี้มีธรรมะเยอะแยะหลจจากหลายอาจารย์ด้วยกันจากพระพุทธเจ้าก็ได้ค่ะค่ะหาระมาศึกษาดีกว่าเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นมีแนะนำไหมค ะ, คะ มีหนังสือที่อยาแนะนำแนะนำโยมไหมคะละโยมฟังพระอาจารย์นี่แหละคะ่ะแต่ว่าถ้าจะเป็นตัวหนังสือนี่พระอาจารย์มีแ น, นะนำหนังสือเราก็มีเข้าไปในเว็บไซต์เรา p a s u c h a a c o m มีใช่ไหมคะเป็นแบบเป็นดนเอาโหลดดาวน์นโหลดมาอ่านไนดะมีรา ย, ยละเอียด้วยกันหรือเป็นไปอ่านหนังสือของลงุงตามหาบัวก็ได้ที่ l a t a e u c o m เนี่ไม่แน่ใจลุงตาแล้วก็ไปที่ ส่วนของหนังสือก็เป็นหนังสือให้ให้ดาวน์โหลดได้หนังสือหลวงตาก็ดีๆเยอะประวัติหลวงปูมั่นเนี่ยอ่านแล้วจะมีความเข้าใจเยอะเกี่ยวกับเรื่องศาสนาค่ะโยมตอนแรกโยมว่าโยมปฏิบัติแล้วพอมาเริ่มมาจริงๆแล้วโยมยังเป็นเด็กน้อยยังสามารถเดินค่ะเาศึกษาบ้างแล้วก็ปฏิบัติตาสลับกันไปแล้วค่ะ ปฏิบัติอย่างเดียวบางทีความรู้เรายัางไม่พอแล้วมันก็จะฟุ้งไปเรื่อยใช่ไหมคะก็จะไม่เข้าใจแล้วก็จะทำให้เกิดความน้ำนสงสัยต่างๆไปได้เรื่องีไม่ดีถ้าเข้าใจผิดก็อาจจะหลงทางไปเลยก็ได้ค่ะกลับน้ำในทมคำสอนค่ะพระอาจารย์พัดาท่านสบายคุณเอาดียงมือแนละ้วเชิญน้นำส ก, การอีกครั้งคะ่ะพระอาจารย์ คืออยากจะบอกอเหมือนเล่าอธิบายนิดนึงนะคะว่าเหมือนทุกวันเนี้ยพอนั่งปฏิบัติเรื่อยๆบ่อยๆเข้าแล้วก็มองเกี่ยวกับอสุภะด้วยมองแต่ว่ามองอสุภะในที่นี้คือเวลาโยมไปโรงพยาบาลมองคนเจ็บไข้ได้ป่วยเงี้ยแล้วก็ฟังอย่างจากพิพาจกย์พูดเสมอๆสอนเสมอๆเสมอทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วแก่ เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมีวันก่อนอนะยมรู้สึกเหมือนปวดหัวสองวันแต่ไม่กินยาค่ะแต่พูดโทอย่างเดียวเลยแล้วก็บอกตัวเองว่าใจเราไม่เจ็บมันเจ็บที่ร่างกายเราก็ให้รู้ว่าร่างกายเราเจ็บแต่ใจเราไม่ได้เจ็บอย่างเงี้ยแล้วมันก็หายอาการมันหายไปเองค่ะทาแบบเนี้ยค่ะ ถ้าไม่จําเป็นจะกินยาแก้ปวดได้ก็อย่าไปกินมันดีกว่าใช้ทรรมะสวดดีกว่าค่ะโยมโยมโ ย, ยมใช้อย่างนี้เมื่อก่อนเป็นคนกลัวเข็มฉีดยามากทุกวันนี้เวลาไปโรงพยาบาลเวลาต้องเจาะเลือดอะไรเงี้ยโยมก็บอกวันคือใจเราไม่เจ็บอ่ะเขาจะเจาะ ก, ก็ให้เขาเจาะไปเพราะว่ามันเป็นแค่ร่างกายเป็นข้างนอกมันมันไม่ใช่ตัวเราใจเรามันไม่เจ็บทุกวันนี้เจาะเลือดไม่กลัวแล้วค่ะเออใจเราเป็นผู้รู้รับรู้เฉยๆไป ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเมื่อก่อนเหมือนห่วงห่วงนะคะไม่ใช่ห่วงของนะคะห่วง ว, ว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วนู่นนี่นั่นปัญหาในบ้านจะเป็นยังไงตั้งแต่มีเนี่ยศึกษาธรรมะแล้วเข้ามาอยู่กับคือว่าโยมพยายามพุทโธตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้อยากจะบอกว่าคือปล่อยวางเลยอะคือคือยังพูดกับนาสาวเลยค่ะว่าเธอคือถ้าวันนี้ยถ้าเกิด วันนี้พรุ่งนี้วันไหนก็ตามถ้าเกิดอยู่ๆ ต, ต้องตายไม่ห่วงอะไรแล้วอ่ะคือเพราะว่า <orchestral. S 2> อะไรก็กไปด้วยไม่ได้ไดยมก็ไม่ห่วงเลย <c oughs> เทุกวั น, น <c oughs> ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยมเหมือนเหมือนมันบอกไม่ถูกมันมีความสุขอะค่ะสุข อ, อ, อยู่ข้างนะใน <c oughs> แล้วมันก็จะสุขใช่ไม่อยากเมื่อก่องหล่อนี้ยยมติดอท mm hmm. ุกวันจะต้องคิดแล้วจะกินอะไรโอหยาดอยากกินนู่นอยากกินนี่ตอนนี้ ความคิดว่าจะอยากกินนึกนึกยังนึกไม่ออกเลยอะค่ะระอาจารย์ ม, ยมันอ ม, นมันไ ป, ไ ม, ไป ม, มันกินแค่อิ่มเอาแค่รักษาแค่รักษาชีวิตแต่ ว, ว่าแบบเออจะมากินแบบว่าอยากแค่อะไรเงี้ยคือฟังพระอาจารย์บ่อยๆแล้วก็พยายามใช่จริงเข้าไปแล้วลองคลายมันออกมาลองดูมันมันก็เหมือนนั่นแหละตอนนั้นหายอยากเลยมันเน่อายากแค่ <c oughs> <c oughs> ทุกวันนี้เลยรู้สึกว่ากลัวกลัวติดสุกอ่ะพระอาจารย์คือทุกวันนี้รูส้สึกสุกไม่มีพิษอะไรติดง่ายติดสุกได้มันมันสุกทุกวันเลยนะคะจริงๆนะคะช่วงนี้เดดหมือนเมื่อวันเมื่อวานไปฟังธรรมพระอาจารย์แล้วฟังเสร็จกลับบ้านโอ้โหแบบมีความรู้สึกเหมันตัวลอยตลอดเวลาเลยแบบบอกไม่ถูกถ้าเนื้อแท้ธรรมจะน่ารู้ทั้งปวงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะอ ลงหลุดจะติดจติดสุขเป็นรถแห่งทรรมเป็ความสุขจากธรรมะไม่ไมีพินีจใคค่ะต้องติดเราถึงต้องยึดพระพุทธพระธรรมก็สมเป็นสรณะเนีไงค่ะพอมีสลาณะแล้วก็จะมีแต่ความสุขใจใช่ไหมค่ะงั้นไม่ต้องกลัวติดธรรมะไม่ไม่เสียหายต้องติดต้องยึดต้องติดเพราะธรรมะเป็นที่พึ่งของเราธรรมะสลาณ์งกระชานี้ ใช่หนูยึดยึด ย, ย, ย, ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเลยไม่มี <จบ S 1> ที่ไหน<า>จะไปแล้วหนูจะไปแต่เส้นเนี้ยหนูก็บอกกับตัวเองว่าหนูจะไปแต่เส้นนี้ขอให้เวลาพร้อมหนูพร้อมจะไปกับเส้นนี้เส้นทางนี้เลยแล้วรพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์จะอยู่กับเราไปตลอดค่ะเป็นกำลังใจใหญ่ในชีวิตเลยค่ะท่านต่อไปนะใครอยากจะพูดอะไรยง้งหนูได้ค่ะกล่าวนามัสการเลยนะคะ่ะพระอาจารย์เดี๋ย อันนี้ก็ชั่วโมงละ16นาทีนะคุณคุณอ้อมนะคุณคุณอ้อมอ่ะเปิดได้เลย<ว>ฮ ะ, ะ ก, ก, การนมัสการค่ะอาจารย์อ่อพอดีฟังพี่จิ๊บถามโยมก็เลยมีคําถามคําถามหนึ่งค่ะอาจารย์อย่างสมมุติว่าเวลาโยมทําบุญเนี่ยค่ะมันมีหลายบุญนะคะอาจารย์อย่างเช่นบุญสร้างโรงพยาบาลบุญสร้างโรงเรียนบุญ ก็คือหลายบุญแล้วทีนี้บุญแต่ละบุญโยมก็ทําทีละน้อยทีละน้อยนะคะพระอาจารย์แล้วทีนี้โยมก็เวลาแผ่เวลาแผ่อุทิศบุญโยมก็ให้พ่อแม่ทั้งชาติปัจจุบันและอดีตชาติทีนี้พอพระอาจารย์บอกว่าอุทิศคือคือคนตายกับคนไม่ตายเนี่ย ก็คือโยมจะต้องบอกพ่อแม่ใช่ไหมคะพระอาจารย์ว่าเออโยมนี่นะทําบุญนี้ทําบุญนี้ทําบุญนี้แล้วให้พ่อแม่อนุโมทนาสาธุด้วยใช่ไหมเจ้าคะอ๋อไม่ต้องหรอกถ้าเขาไม่อยากจะอนุโมทนาก็ไม่ต้องไปบอกเขาไม่ไม่คือคือคือพ่อแม่ก็คงอยากอนุโมทนาแต่แต่โยมก็ไม่ได้บอกเพราะว่าเออโยมทําบ่อยค่ะพระอาจารย์ถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ต้องบอก ถาคถา่าถ้าถ้าก็ถามก็บอกถ้าเขาอยากจะรู้ก็บอกถ้าเขาไม่อยากรู้ไม่ต้องบอกออแล้วเออพ่อแม่เราจะได้บุญไหมคะอไม่ได้หรอกบุญแครบุญมันอ่อย่างสมมุติว่าเอโยมยอมทําบุญเนี้ยพระอาจารย์แล้วยมบอกพ่อแม่อันโมทนาบุญด้วยกันนะคะอยงเงี้ยพ่อแม่ยมได้บุญใช่ไหมเจ้าคะได้บุญตัวอย่างกันไม่ได้บุญอยากที่หนูทาคนัะอย่างมัน บุญท <Ờ> ี่ด okay. ีใจที่เห็นลูกได้ทําบุญอ๋ออาจารย์ไมเหมือนกัดีใจที่เห็นเห็นเห็นลูกได้เงินเดือนอย่างเงี้ยก็ดีใจแต่ไม่ได้เงินเดือนเหมือนลูกได้คนละเรื่องกันอ๋อโอเคค่ะแต่ก็ยังได้บุญอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะก็เขาก็สุขใจแหละถ้าถ้าเขานมุดมา พ่อแม่บางคนอาจจะไม่ไม่ชอบทําบุญอาจจะเสียดายเงินก็บอกว่าเป็นไปทําบุญทําไมมึงหลงว่าเปล่าเป็นอย่างว่านอย่างนี้ก็เปล่าอย่างนี้ก็ได้เขาก็จะไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีจากการทําบุญของเราพระพราจารสมมุติว่าเราทําบุญคือผ่านมาแล้วแต่โยมบอกพ่อแม่บอกว่าเออแม่จา๋าอ้อมทําบุญนี้ น, นี่นี่นะอะไรเงี้ย<ม>ก็คือมันผ่านมาแล้วแต่เรามาบอกใหมยย่เงี้ย แ ล, asten. แล้วแม่เราพ่อแม่ยอมรับอะไรเงี้ยดีใจด้วยอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็ได้บุญด้วยใช่ไหมเจ้าคะก็ได้ความดีใจแต่ไม่ได้บุญที่เราทําบุญที่เราทํำก็ไม่ได้คนเราบุญยังโอเแล้วเวลาเราพาลูกไปทำบุญเนี่ยพระอาจารย์ลูกกับแฟนเงี้ยแต่เขาไม่ได้ออกเงินน่ะเป็นเงินเราที่ ท, ที่ที่ ท, ท, ที่หาเองพระอาจารย์แล้วเขาเจะได้บุญร่วมกับยโยไหมคะ ไม่ได้ได้อย่างมากก็ได้จากการอนุโมทนายินดีกับเราถึงแม้ว่าเขาจะยื่นถวายให้กับถ้าก็อไม่ได้เป็นของเขาเป็นของเราโอ้ยอ เ, เออเป็นเงินของเขาโองั้นโยมได้คนเดียวงั้นนะเออเขาเป็นเงินของเราแล้วเราเป็นคนคิดจะทําก็เป็นของเราก็เพียงแต่ไปเป็นเพื่อนไปไปไปให้กําลังใจอะไรทาเราั้นเท่านั้นเอง โ oh, okay. อ้โอเคพระอาจารย์อีกคําถามหนึงเจ้าค่ะคือที่หัวโยมโยมรู้สึกว่ามันมีพลังงานที่ลงที่ลงค่ะแล้วทีนี้บางครั้งมันก็ไหลลงมาตรงที่หน้าผากอะค่ะพระอาจารย์พอเหตุผลใดเจ้าคะไม่รู้เฉยๆว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันไม่น่าไปถามว่ามไม่รู้ว่ามันทำไมรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดดับเกิดดับอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปยม่งกับมัน ให้รู้เฉยๆขอบคุณเจ้าค่ะโยมีผมเสร็จแล้วที่ว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นเทวดามาโปรดมีอะไรหรือเป็นบ้าไปคิดแล้วเป็นบ้าเขราะยังไงอย่าไปคิดถ้าเราไม่รู้จริงว่ามันเป็นอะไรก็รู้ตามความเป็นจริงของมันรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละพอแล้วไม่ต้องไปแปลไปขยายความว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาอข้าใจนะเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะ ท่านต่อไปมีใครอยากจะถามไหมเด็กสิบนาทีประมาณสิบนาทีมีคำถามจากเฟ e b ุ o k เจ้าค่ะเชิญจากคุณชนิดาค่ะติดสุขไม่ผิดใช่ไหมเจ้าคะถ้าเร า, าติดอยากไปกราบหรือใส่บาทหลวงปู่หลวงพ่อไปวัดนั้นวัดนี้ได้ใช่ไหมเจ้าคะถ้าสุขเป็นธรรมะก็ได้อยู่ ถ้าเป็นสุขเป็นยาเสษติดนี่ก็ไม่ได้เป็นสุรานี่ก็ไม่ได้ป็นมีสุขหลายแบบถ้าเป็นสุขที่เกิดจากการทาบุญละบาปภาวนานี่ได้สามอย่างนี้ได้การละบาปแล้วมีความสุขติดรักษาศีลนี้ได้ติดสุขเพราะได้ไปทาบุญนี่ได้ติดสุขเพราะได้ภาวนานี่ได้สุขแบบนี้ไม่เป็นพลิดเป็ินไปเติดได้ แต่ถ้าไปติดแฟนนี้สุขจากการมีแฟนนี้ไม่ไม่ไม่ได้แล้วถ้าแฟนทิ้งเราเมื่อไหร่มันจากสุขมันก็จะกลายเป็นทุกข์ไปด้วอสุขจากการไปเที่ยวนีก็ไม่ได้เดี๋ยววันไหนไม่ได้เที่ยวก็จะทุกขึ้นมาดงนั้นมันมีสุขแบบสุขแบบสุขปลมสุขที่เป็นสุขที่อำ้พรางความทุกข์ไว้กับสุขที่เป็นสุขแท้ สุขแท้ก็สุขที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำบุญทาทานักษาศีลภาวนาเนี่ยอันนี้เป็นสุขแท้ติดรากไม่เป็นไรไม่เสียหายต้องยึดสีได้ซ้ำไปเพราะเป็นธรรมะธรรมังสระนังกระชามนีของเรามีใครอยากจะถามอีกไหมเหลือประมาณเจ็ดนาทีหนึ่งหนึ่งชั่วโมงกับสามสิบนาที คุณคุณอดีคุณอดีตขอโทษนะคะอีกคำถามหนึงคือว่าว่าเมื่อวันคืนคุยกัน้าสาวแล้วเหมือนคุยเรื่องธรรมะกันขุนธนาธรรมะแล้วน้าเขาถามหนูขึ้นมาคำหนึ่งว่าเข้าใจคำว่าสาธุไหมเออหนูก็เออใช่เราเวลาพระท่านให้พอเสร็จทีไรเราสาธุแต่เราไม่รู้ว่าสาธุอะไรไปวแล้วไปวันดีแล้วถูกต้อง โอเคภาษาฝรั่งว่าโอเคอ๋อแปลว่าดีแล้วถูกต้องและอนุโมทนานะคะเราเราเวลาเราใช้อะอนุโมทนาสาธุออุมันต้องอนุโมทนาแปลว่าขอแสดงความยินดียินดีด้วยยินดีด้วยกับการทํความช่อมคุณอนุโมทนาอ๋อโเข้าใจแล้วค่ะสาธุว่าดีแล้วการกระทำของคุณเป็นการทําทที่ดีสาธุ โอ้ค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ความหมายบังทีคนเราใช้มาได้แต่เกิดแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรในวันคืนน้น้าสาวถามแล้วรู้ไหมเนี่ยว่าคำว่าสาธุแปลว่าอะไรหนูก็เลยเออนุพอพระพระท่านให้พลังดีไรเราก็สาธุแต่สาธุคืออะไรสาธุดีดีนล้จ้าสาธุจะยินดีจ้าอะไรทำนองนั้น ค่ะขอบคุณค่ะคือเราไม่จะเราจะไม่พูดขอบคุณกันเคือเราไม่ตีว่าเป็นการเป็นการเป็นบุญคุณเป็นเป็นบุญคุณกันาการกระทําของเราชาวพุทธเราไม่หวังบุญคุณจากใครใครเขาทาอะไรให้เราเขาก็ไม่หวังบุญคุณจากเราเราก็ต้องตอบเขาว่าดีแล้วาการกระทําของคุณแล้วเถืยินดีด้วยการทำเรืองนี้ค่ะ yeah. จะได้ใช้ถูกให้ถูกต้องต่อไปมีใครอ่ะมีใครอีกไหมอยากจะถามอะไรคุณร่วมพร iPad เห็นหายไปต้องนานเปิดเสียงกราบละวสการอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะแต่ก็ไม่เคยเจอท่านพระอาจารย์เลยนะคะดูแต่ใน YouTube ค่ะ แล้วก็เฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็อยา ก, กาเปลี่ยนนะฮะดิฉันก็ปฏิบัติมาหลายปีเหมือนกันท่านี้เนี่ยเพิ่งมาดูเร็วนีน้มีความรู้สึกเอ๊ะมันหมุนหมุนอยู่ข้างในอะ่ะมันมีอะไรที่หมุนหมุนอยู่ข้างในนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนที่นั่งหรือว่าตอนเลืนทั้งวันทั้งคืนคือในขณะที่นั่งด้วยค่ะแล้วก็สมมุติว่าเ อ, อ เราไปไหนถ้าเรานึกขึ้นมาเนี่ยก็ได้อจากความนึ้เกิดมันไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของร่างกายหรือเปล่าเพราะร่างกายมันคือแก่ลงแก่ลงมันก็อาจจะมีปัญหาได้ก็ต้องแยกดูว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจมันคงไม่ใช่เพราะแต่คงไม่ใช่เรื่องของความผิดปกติมั้งคะพระรู้สึกว่ามันสบายใจนะฮะหยุดอยู่ได้ มันเหมือนกับหยุดอะไรแล้วก็คล้ายๆเราอืมเราสนใจอยู่ที่เดียวได้ขึ้นมาแต่มันหมุนนะฮะหมุนหมุนแล้วมันทําให้เราเสียหายอะไรหรือเปล่าทาให้เสียหายก็รู้เฉยๆไปก็รู้เฉยๆไปแล้วรู้เฉยๆไปถ้าทำให้มันหายได้ก็ทําถ้าทําไม่ได้ก็ปล่อยมันไปคือมันรู้สึกว่าจะดีนะฮะเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันเหมือนกับเรา ปจิตออกไปข้างนอกไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวไปคิดนู่นคิดนี่เพอย่างเงี้ยมันก็ อ, อยู่ข้างในสบายดีด้วยฮค่ะหนึงจิตไว้ข้างในหลวงปู่ดวนว่าจิตเข้าข้างในเป็นมรรคเป็นธรรมจิตออกข้างนอกเป็นกิเลสเอาข้างนอกแล้วจิตจะร่อนเข้าข้างในแล้วจิตจะเย็นนะเพราะมันอยู่เหมือนว่างๆแล้วก็อยู่สบายอแต่ว่ า, าคะแต่ว่าก็อย่างสมมุติว่า มันหมุนก็เลยคิดว่าไอ้การหมุนนี่มันปกติไหมฮะแล้วต่อไปมันน่าจะหายใช่ไหมฮะเออมันหายไม่ใช่ตอนนี้มันก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่เนะี่ยตอนนี้ไม่หมุนคนะ่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้คุยกับท่านพระอาจารย์นะคะอย่างเข้านั่งภาวนาพุโทโธไปก่อนเนี่ยมันก็จะเริ่มหมุนนะฮะเป็นมานานหร้อ ย, อยังหรือเพิ่มาเป็นก็ัก <c oughs> สี่ห้าเดือนได้ที่ที่หมุนน่ะนะฮะแต่ก่อนเนี้ยมันเดี๋ยวก็ออกไปข้างนอกเองมันออกข้างนอกเองอ่ะแต่คราวนี้มาตอนนี้อ่ะมันกลายเป็นม่าอยู่ข้างในแล้วหมุนหมุนบางทีหมุนซ้ายขวาบางทีก็หมุนเหมือนกับข้างหลังมาข้างหน้าข้างหน้ามาข้างหลังแล้วแต่เขาแล้วเราททำยังไงกับมันอ่ะก็ดูมันไปเรื่อยๆ อ, อ่าก็ดูมันไปทาอะไรไม่ได้ก็ดูมันไป หรือถ้าไมอยากถ้าไม่อยากจะดูว่ากลับกลับมาดูลมแทนดูพุทโธแทนก็แล้อย่าไปดูมันก็ได้ค่ะซึ่งแต่รู้สึกว่ามันมันน่ามันน่าจะดีีเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันชอบใจเนี่ยมันชอบหลุดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอหลุดปั๊บเนี่ยเรานึกปุ๊บมันก็มามาแล้วมันก็อาจจะเริ่มหมุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเรียกว่าโอเคไหมคะ คือถ้าใจเราไม่ไปทุกข์กับมันก็โอเคไม่ทุกข์เลยอ่าไม่ทุกข์ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องคิดว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปก็แล้วกันค่ะทำอะไรมันกับมันไม่ได้มันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ปล่อยมันไปอยู่ด้วยกันไปอย่าไปยุ่งกันแต่ก็ไม่ผิดอะไรไม่ผิดอะไรก็เราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วก็ก็ไม่ต้องไปว่ามันเป็นอะไร แต่ก็เหมือนกับว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วอย่างนี้ไม่ดีนะต้องต้องไม่ให้เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะเมือปกติมันไม่ควรเกิดขึ้นหรอกอาการหมุนเนี่ยมันก็จะว่างควรจะเย็นจะสบายมันเหมือนเป็นลูกๆอ่ะหมุนอยู่ข้างในแต่ในความว่างอาจจะเป็นกิเลสของเป็นจิตจิตมันแสดงอาการของมันขึ้นมาก็ได้ แต่มัน<ร>ก็เหมือนปัจจุบันนี้ดิฉันก็รู้สึกสบายอกสบายใจทุกน้อยลงก็ดีนะอตรงนั้นแหละตรงดูที่ยสุขหรือทุกข์ก็แล้วกันเป็นหลักการปฏิบัตินะอ อ, อย่างอื่นถ้าเราทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเฉยๆไปมไม่ต้องไปยุ่งกับมันมองว่ามันนอนจจัไม่เที่ยงเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปอ น, นัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้อืม คต่างฝ่ายต่างอยู่กันไปเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราไปอย่าไปทุกข์กับเขาปัญหาคืออย่าไปทุกข์กับเขาก็แล้วแต่ยังไม่เข้าใจว่าทุกข์กับเขาแปลว่าอะไรเดือดร้อนไงพอเข้าม า, เ, ามมเดือดร้อนอไม่เดือดร้อนเนี่ยรู้สึกมันมันอยู่ในที่ว่างๆอ่ะอะอะถ้าถ้าไม่เดือดร้อนก็โอเคค่ ะ, ะแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่สนับสนุนให้ไปทำ ให้มากขึ้นหรือน้อยลงอไม่ต้องเป็นธรรม่มันมาเองมันอาจจะเป็นของแถมของแปลกปลอมเข้ามาก็ได้ความจริงบางคนจะไม่มีอะไรถ้าจิตถ้าถ้ามันถ้ามันว่างจริงๆมันจะไม่มีอะไรอืมค่ะแต่มันก็อย่างอย่างมันก็เหมือนเดี๋ยวนี้มีความสุขเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะถ้ามันสุขใช้ได้ถึงแม้มันจะมาแล้วเราไม่ทุกข์กับมันก็ใช้ได้เพราะเรามีความสุขค่ ะ, ออนนะขอพบพระคุณ ใช่ครับถูฟ้าจําแรงมีอะไรจะพูดไหมจะเลิกไหมเนี่ยเจ้าขาหนูเพิ่งเห็นเดี๋ยวนะพระอาจารย์เจ้าข า, า, าหนูเพิ่งเห็นเจ้าขาหนูเลยเข้ามาชั่วโมงแค่เมื่เนี่ยพระอาจารย์สบายดีนะเจ้าขาสบายดีจะอยู่ที่ไหน หนูอยู่กงเทพเจ้าค่ะเพิ่งเริ่มงานที่ใหม่เจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคั้งจนจะนํางานไปนะโอเคเก็บเงนินเก็บทองนะเจ้าค่ะอเอาให้นิด่อนนะี้ <c oughs> พอจะเลิมแล้วองนั้นก็ขออนุมโมทนาสาธุในการที่ท่านได้เข้ามาติดตามฟังและถามปัญหาต่ า, า, างๆ่งพราะว่าองค์จะเป็นประโยชน์มาก บ้างไม่มากก็น้อยขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปทิ้งทิ้งแรานไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ